อันได้แก่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งปริยัติธรรมหนึ่งขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์อันประกอบด้วยพระอริยบุคคลแปดจำพวก <c oughs> โพชังโคสตีสังคาโตธรรมานังวิจโยตธาวิริยมปิติปสัสสตี โพชังคาจตัาเปเลสัมมาทุเปิคโพชังคาซาเตเตสัพทันสีนามุนีนาสัมมาทาคาตาพาวิตาพาหุลิกาตา สังวันติอภินยาญาณิพานญ า, าจพุทธยาเอเตนสัสจวาเชนาโสทิเตโหตุสาปทาโภชงเจ็ดประการคือสติสัมโพชฌง ธรรมะวิจยะสามพ่ชงวิริยะสามพ่ชงปีติสามพ่ชงปัสสติสัมพ่ช ง, ส, ส, มชงสมาธิสามพ่ชงและอุเบกขาสามพ่ชงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสว่าพ่ชงเหล่านี้บุคคลใดอบรมและกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อบ ร, รุมรรคผลดับทุก์ และรู้แจ้งอริยสัจ ส, สี่ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเถิดขอจเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมผู้ขวนขวายในการศึกษาประพฤติปฏิบัติทุกท่านวันนี้อัตมาก็มาสนทนามาปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของทาน เรื่องของศีลและเรื่องของอเมตตาให้หนักแน่นให้มั่นคงให้ถาวรเพื่อจะได้พัฒนาไปถึงการทำสมาธิที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นไปเพื่อเจริญวิปัสสนาเพื่อออกอยากวัตรทุกอัตมาก็มาด้วยการสองเหมือนเดิมมาสนทนากันมาสอบถามมาคุยกันส่วนญาติโยมถ้าสงสัยสิ่งใดนะก็ จะมีใหม่ไปถึงนะถ้าโยมจะสอบถามถ้าตอบไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนนะให้พระจานทร์มาตอบแต่ถ้าตอบได้ถ้าไม่ชัดเจนโยมก็ไปสอบถามพระจาจาร์อีกทีหนึง่งส่วนอัตมากับสามเณรก็จะตอบเท่ากับกำลังความสามารถที่มีที่ได้ศึกษามาส่วนอันไหนไม่รู้ไม่เข้าใจโยมก็ขวนขวายช่วยตัวเองที่จะ ศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องอาตมาและพระอาจารย์ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่รู้เฉพาะที่ได้เรียนมาเท่านั้นแต่อาศัยว่าได้ศึกษามากันยาวนานนะพระอาจารย์ก็ศึกษามาหลายสิบปีนะยี่สิบสาสิปีอาตมาก็เพิ่งเข้ามาไม่นานก็ได้ศึกษาตามที่ที่ได้ ตามกําลังความสามารถของตัวเองเนี่แหละดังนั้นก็อาจจะดูเหมือนเก้เก๊กลางๆหน่อยเพราะว่าต้องมีหนังสือมีหลักฐานเพราะไม่งั้นอาตมาต่อไปอาจจะผิดพลาดไม่ตรงกับคําสอนไม่ตรงกับพระไตรปิฎกดังนั้นก็เลยต้องเปิดหน่อยอาตมาเอ้โยมก็อย่าพึ่งราคาญนะโยมนะเห็นว่าเก้งๆก้งกลแล้วก็ก็เลยหลับกันเลยอย่างนี้ไม่ได้นะโยมนะ ก็เพราะว่าไม่ได้จําได้ทั้งหมดโยม 84% ดหมพันพธรรมขันเนี่ยเรียนมาสิกว่าปีก็ไม่ได้จําได้ทั้งหมดดังนั้นจะต้องเปิดนะแต่สามารถบอกได้โยมถ้าโยมอยากจะรู้เรื่องอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกได้แต่ถ้าจะให้จําทั้งหมดมาเล่านี่ก็ยากนะโยมนะดังนั้นก็จะตอบเท่าที่ตอบได้เท่าแต่เท่าเท่ากำลังความสามารถ วันนี้เราจะมาต่อนะเรื่องของทานนั่นแหละเพื่อจะเจาะลึกลงไปในชีวิตประจําวันของเรามีผูกพันกับเรื่องของทานเราจะทํากันแบบไหนอย่างไรถึงต้งไหนแล้วครับก็เมื่อวานนี้จริงๆพูดไปจะสรุปประเด็นให้ฟังมีหลักๆคือ3อย่างก็คือเรื่องว่าทานคืออะไรก็คือมีเรื่องของผู้รับแล้วก็วัตถุแล้วก็เจตนา แล้วก็ทานมีเท่าไหร่ซึ่งมันแจกแจงออกไปหัวข้อค่อน ข, ข, ข้างจะกว้างมากก็คือใครเก็บเอาไปใช้ได้ไเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าถ้าอยากได้หลักฐานอะไรเพิ่มก็มาขอซีหลอกได้ว่าทานแต่ละหมดมีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องวัตถุคือเทยธรรมตามานของพระวินยัยพระสูตรพระวิธรรมมีอะไรบ้างก็คือวิธีที่เราจะให้ทานนั่นแหละให้ตึกยังไงบ้างนะ ส่วนวันนี้ก็จะมาขึ้นอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องทานมีองค์ประกอบเท่าไหร่นะอันนี้ก็เดี๋ยวนิมนต์ให้ท่านมาหาแสดงให้ฟังก่อนจะขึ้นเรื่ององค์ประกอบของทานนะก็จะเสริมเมื่อวานสักนิดหนึ่งเรื่องของในส่วนของวัตถุทานที่เป็นทางด้านอภิธรรมนะทางด้านสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมอารมณ์นะ มีอยู่ในคัมภีกระถาวัตถุซึ่งเป็นคัมภีอภิธรรมกล่าวไว้ว่าเจตสิกธรรมชื่อว่าทานหรือท่านถามตอบกันนะก็ตอบว่าถูกแล้วจะได้เพื่อให้เจตสิกธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นได้หรือท่านก็ตอบว่าให้ได้นะถูกแล้ว <c oughs> เจตสิกธรรมก็หมายถึงเรามีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะให้ ความตั้งใจที่จะเสียสละแบ่งปันเราก็สามารถให้เจตสิกนั้นได้สามารถน้อมนำเจตสิกธรรมนั้นบูชาพระพุทธเจ้าได้อีกนะเป็นส่วนของนามธรรมาหรือมีเรามีศรัทธามีอโลภะความไม่โลภไม่อยากได้ในการให้ไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของมีอโทสะความไม่โกรธมีเมตตาประกอบด้วยในการให้ หยิบยื่นการโยมให้เงินลูกให้เงินสามีให้เงินภรรยาหรือแม้แต่การให้ยืมกันเนี่ยให้ให้ใหยิบยืมเนี่ยเราก็คิดพิจารณาถึงถึงการให้ด้วยมีเจตนานะทีา่ให้ด้วยไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของนั้นไม่เสียดายนะเรามีศรัทธา มุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วว่าการให้ครั้งนี้เราเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ให้ไปก็ศรัทธาตัวนั้นแหละเจตนาตัวนั้นแหละความไม่โลภความไม่โกรธและให้ด้วยปัญญานั่นแหละเราก็สามารถนํามานํามาบูชาได้อีกนํามาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าดังนั้นที่บอกว่าไม่รุ่มหลงก็คือเราให้ด้วยปัญญานะเราก็จะรู้เหตุรู้ผล ผลของกรรมด้วยนะแล้วก็สามารถนำนามารมนั้นมาบูชาพระพุทธเจ้าได้อีกนะท่า น, นก็เลยมีการถามตอบในในคำพี์กถาวัตถุว่าเจตสิกธรรมชื่อว่าทานใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นะท่านก็ไล่ไปทายธรรมชื่อว่าทานใช่ไหมปาณาติบาชื่อว่าทานใช่ไหมอธินนาทานชื่อว่าทานใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ สลุปแล้วก็คือสินห้าทั้งหมดก็ชื่อว่าทานหมายถึงว่าเราพัฒนาการให้นั้นไปพัฒนาการให้ไปเรื่อยๆจนมาถึงการให้อภัยให้ความปลอดภัยแก่คนอื่นเขานี่เรียกว่ามหาทานก็เป็นเรื่องของทานเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าถูกแล้วนะสินทั้งห้าข้อก็เป็นเรื่องทานเหมือนกัน <c oughs> ถ้าอย่างนั้น ก็ต้องบอกว่าเจตสิกธรรมชื่อว่าทานนะบุคคลให้ข้าวน้าเป็นต้นทนาะยาท ร, รมนชื่อว่าทานใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นะจีวอนชื่อว่าทานใช่ไหมผ้าทั้งหมดชื่อว่าทานใช่ไหมบินทบาทหรืออาหารทั้งหมดชื่อว่าทานใช่ไหม เ, เสนาสนะชื่อว่าทานใช่ไหมหรือกีฬาณปัจจัยเภสัตบริขารชื่อว่าทานใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถูกแล้วชื่อว่าทาน นะดังนั้นทานจึงประกอบทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะในในส่วนของอภิธรรมดังนั้นท่านท่านจึงบอกรวมไปเลยว่าสีเสียงกลิ่นรสผวภิภและธรรมารมณ์นั่นแหละเป็นเรื่องของทานนะอันนี้คือทยธรรมต่อจากเมื่อวานนะคราวนี้สามเณรก็ถามว่าทานมีองค์ประกอบอย่างไรเท่าไหร่เนี่ยนะ องประกอบของทานนะอยู่ใน <c oughs> ทักกิณาอยู่ในฉลังคาธานสูตรนะท่านกล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของผู้ให้มีสมองค์ประกอบของผู้รับก็มีสามนะที่จะได้ผลมากได้อาหนี้ส่งมากเนยนะผู้ให้จะต้องตั้งเจตนาไว้สามนะ ก่อนให้ขณะให้หลังให้ให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งหมดก่อนให้มีใจดีขณะให้มีใจเลื่อมใสหลังให้มีใจเบิกบานท่านก็อธิบายไว้นะว่าก่อนให้ให้อย่างไรขณะให้ให้อย่างไรหลังให้ให้อย่างไรนะก่อนให้ทานเป็นผู้มีใจดีเมื่อกําลังให้ย่อมมีใจที่เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้ปลื้มใจ นี้เรียกว่ายัญญสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งการให้ทานก็จะได้อา น, นิสงส์งมากท่านก็บอกว่าการที่ห่วงน้ำเนี่ยมันไหลไปห่วงน้ำไหลไปสู่ทะเลสู่มหาสมุทรเนี่ยมันเป็นจำนวนมากมายมหาศาลดังนั้นเมื่อให้อย่างถูกต้องกำลังของบุญนั้นก็มากมายมหาศาลเหมือนกับห่วงน้ำนั่นแหละ ท่านก็เลยเปรียบบุญเหมือนกับห่วงน้ำนะห่วงบุญห่วงกุศลนี่นะท่านบอกว่าการให้ผ้าให้บินอาหารบิณฑบาตให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคเนี่ยเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอย่างยิ่งใหญ่นะเป็นไปเพื่อความสุขนะเป็นไปเพื่อผลอันเดิศเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อ ผลที่น่าปาถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเนี่นะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันนั้นหมายถึงพระนิพพานนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเพราะนั่นเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ศีลพัฒนาตนเองไปสู่สมาธิและปัญญาถ้าไม่มีตรงนี้ไม่สามารถที่จะทําสมาธิขึ้นตั้งมั่นถาวรได้ยาวนาน ดนั้นต้องมีเรื่องนี้ที่หนักแน่นมากที่สามารถใครควรได้ตลอดเวลาเช่นอยู่กับลูกกับภรรยากับสามีกับที่ทำงานต้องมองได้หมดเลยนะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของทานควรจะทำทานแบบไหนเอาไปที่ทำงานเปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดไฟใขค้ควรได้ไหม โยมเคยใครควรไหมโยมไปเสียบปลักน้ําร้อนน้ําเย็นเนี่ยใคร่ควรได้ไหมว่านั่นคือทานเพราะคนมากินเยอะไหมคนมาใช้สถานที่นี้เยอะไหมโยมถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลายอย่างในที่นี้เปิดไฟเปิดแอร์ปรารตนาให้เขามีความสุขไหมปรารตนาให้เขาได้ใช้ประโยชน์ไหมเปิดไฟนี่เท่ากับจุดปัญญาของตัวเองนะ เปิดไฟเนี่ยพอให้แสงสว่างแก่คนอื่นเคยคิดไม่ยงมเนี่ยเดินผ่านอาสนะมาแค่จับด้วยเมตตาเป็นมหากุศลนแล้วนะจับจัดนูน่นจัดนี่หน่อยเนี่ยลองดูสิเก็บบุญได้เยอะไหมเนี่ยเยอะมะโยมแค่จัดเรียงอาสนะให้มันตรงกันนี่แล้วก็มีความคิดไปปรารถนาดีไปเป็นเรื่องของการให้ แล้วก็พัฒนาไปสู่ศีลด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของศีนอีกนะอยู่ที่มุมที่เราคิดตอนนั้นนะ่ะคิดเป็นเรื่องของทานหรือคิดเป็นเรื่องของศีนนะดูแลลูกดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลเพื่อนเพื่อนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของศีนเนี่ยถ้าเรามองออกถ้าเรา ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นไปกับด้วยบุญด้วยกุศลก็เรียกหมุนหมุนให้เป็นบุญเป็นกุศลให้หมดเนี่ยจับอะไรจะพูดเปล่งวาจาอะไรออกมาเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลยอย่างนี้จะสบายใจไหมะจะเครียดไหมอย่างนี้จะเครียดไหมโยม อ, อยู่ในสังคมก็ไม่เครียดเพราะเรารอบรู้ไปหมดเลยนะขยับตรงไหนแค่เปิดประตูแก๊กหนึ่งก็ได้บุญแล้ว อา้าวตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนหมอนมุง้งได้บุญไปหมดเป็นทานไปหมดเป็นศีลไปหมด น, นําน้ําแก้วหนึง่งบูชาพระพุทธเจ้าเป็นบุญอีกก่อนสวดมนต์ไหว้พระจุดทูบจุดเทียนเป็นบุญหมดเลยเป็นการให้ทานเมื่อวานก็บอกแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทานเจตนาไหมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตเราเลย การบูชาการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาส่วนบุญการต้อนรับก่อนให้ก็นาให้หลังให้การดูแลกันการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูนสิ่งที่ให้ทั้งหมดเป็นเรื่องของทานทั้งนั้นแม้แต่การยกมือไหว้กันแม้แต่การเดินไปแล้วก็ยิ้ม โปรยยิมสยามเมืองยิมเนี่ยเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของการให้ทานโยมพอจะมองภาพออกนะในชีวิตประจำวันแล้วถ้าเกิดโยมหมุนให้ได้ตลอดให้กุศลเกิดขึ้นได้ตลอดนะอย่างนี้ก็เวลาทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะ เผอล้วที่เราไข้ควรนะั่นแหละนะก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานะเพราะมันเป็นกรรมฐานนะทานก็เป็นกรรมฐานโยมไม่ใช่แค่มานั่งตรงนี้แล้วเป็นกรรมฐานจาคารุสติเนี่ยเขาใช้อัปะปราอปะเจตนาอปปะอะป ร, ะประเจตนานะจาคาเจตนาเนี่ยก็คือเราทำทาน อยู่เป็นประจำนะแล้วก็มีเวลามีเวลาก่อนนอนสักนะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อมานั่งไคร่ครวนถึงเรื่องทานนะที่เราได้ทำไปสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนั้นเขาเรียกว่าจาขานุสติโยมเป็นหมวดเดียวกันกับอาณาปานาสติเลยแล้วถ้ายมนั่งไครควรวแล้วคิดเรื่องศีลให้เป็นระบบเนี่ย นั่นก็เรียกว่าศีลานุสติก็เป็นกรรมฐานหมวดเดียวกับอานาปานาสตินะั่นแหละดังนั้นถ้าโยมหมุนทานหมุนสีในในชีวิตประจําวันเนี่ยอาณาปานัสติจะไปไหนเสียใช่ไหมโยม อ, อยู่ในกำมือไม่ใช่เรื่องยากเลยดังนั้นทานจําเป็นอย่างมากขนาดอาตมาเนี่ยบวชมายังไม่ทิ้งเรื่องทานเลยเพราะว่าทานเนี่ย เป็นข้อแรกในบารมีถ้าทานบารมีไม่เต็มศีลบารมีจะเต็มนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าศีลบารมีไม่เต็มจเจริญอย่างอื่นก็ไม่ได้ในแดบารมีนั้น่นขมมะก็ไม่เต็มปัญญาก็ไม่เต็มขันติวิริยะขันติสาจาัจจะอธิฐานาเมตตาและอุเบกขาก็ไม่เต็มทานบารมีจึงสำคัญอย่างมาก การบำเพ็ญทานจึงสำคัญอย่างมากวันนั้นเราต้องรู้บริบททั้งหมดเหมือนโยมจะไปทำวิทยานุนิพนธ์โยมจะจบเนี่ยเรียนจบจะทำเล่มๆ ม, มาเนี่ยแต่โยมไม่รู้บริบททั้งหมดเลยอ่ะแล้วโยมจะประสบความสำเร็จได้ไหมโยมเขาจะให้ใบปริญญาได้ไหมเหมือนกันเลยเรียนในภะษาสนามีอยู่สามใบมียาตรปริญญา ตีระนปริญญาและปะหาณะปริญญายมได้สามใบนี้หรือยังยังเลยนี่เรียนกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะรับจากพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องไปทำหลายใบยในทางโลกแล้วเรียนจบก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ดีนะแต่ถ้าเรียนปริญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยลงทุนหน่อยนะลงทุนเรียนลงทุนศึกษา เสียเวลาไม่เป็นไรไม่ใช่ไปอบายนะเสียเวลาเรียนพระธรรมเนี่ยไม่ไปอบายรับรองได้โยมเรียนเพื่อออกจากวัฏจุกข์ไม่จําเป็นต้องไปเรียนเอาใบาไปประกาศไม่สําคัญนะตมาลองมาแล้วโยมได้มา8ปดเก้าใบนตมายังไม่บรรลุไปไหนเลยนะเสียเวลาไปนานแล้วดังนั้น จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการทำลายกิเลสออกจากวัฏทุก์การหากินเป็นเรื่องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองโยมแค่มีชีวิตอยู่ได้แต่สิ่งสำคัญของเราในอนาคตเราจะไปไหนนะถ้าเราศึกษาไม่ดีเรียนรู้ไม่ดีในอนาคตก็ต้องไปในที่ตกต่ำก็ต้องเสียเวลาดังนั้นในเรื่องของเจตนาจึงสำคัญมาก โยมต้องวางใจตั้งแต่แรกเลยว่าก่อนที่โยมจะให้โยมต้องมีการไข้ควรอย่างดีวางแผนอย่างดีว่าจะให้ใครที่เหมาะสมของของเราดีหรือยังสะอาดหรือยังบริสุทธิ์หรือยังประณีตรหรือยังผู้รับสมควรไหมเป็นผู้มีศีลให้ตามลำดับนะโยมให้ผู้ให้พระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระสงฆ์บูชาพ่อแม่ ปู่ย่าตายายลุงป้า น, นา้าอาไล่มาจนถึงผู้ไม่มีศีลจนถึงสัตว์เดรอฉานก็จะได้บุญลดหลั่นกันมาตามลำดับนี้ก่อนให้เราคขายควรอย่างดีแล้วขณะให้นี่น้อมศรัทธาให้ได้ศรัทธาศีต้องเกิดขึ้นได้กรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการกระทาว่ากรรมเมื่อทำลงไปแล้วจะต้องมีผลแน่นอน แล้วเชื่อผลของกรรมคือผลนั้นจะต้องไปถ้าทำดีต้องไปสุขติทำาชั่วต้องไปทุกขติแต่ถ้าทำดีพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นไปเพื่อออกจากวัตทุกแน่นอนนี่เชื่อผลของกรรมนะกรรมมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้แต่ต้องรับผลของกรรมนั้นและเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ กว่าจะตัดสรุ้มาอย่างยากลาบากเพื่อมาประกาศคําสอนที่ถูกต้องดังนั้นจะไม่มีคําสอนอื่นจะไม่มีที่พึ่งอื่นอีกแล้วถ้าสิ่งใดไม่ตรงกับคาสอนเราต้องออกห่างต้องออกขอหยุดไว้ก่อนจะไม่ปฏิบัติจะไม่ทำตามแต่อันใดก็ตามที่เป็นคําสอนแต่ถ้าเราได้ศึกษาเองเราจะเชื่อมั่นไงว่านี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะเราไป ดูมาเองและเห็นกับตาได้ยินกับหูได้เรียนรู้มาเองเราจะมั่นใจว่านี่แหละคำสอนของผู้เจ้าที่จะทำให้เราออกจากวัตจัทุกข์ได้นั้นก่อนให้ใครควรให้ดีผู้ให้ผู้รับเนี่ยสมควรไหมหรือเรามีน้อยเราควรจะให้กับผู้มีคุณมากที่สุด แล้วก็ปรารถนาว่าวันไหนถ้าเรามีมากเราจะแจกให้ทั่วประเทศแจกให้ทั่วโลกเลยเหมือนกับพระโพธิสัตว์บางชาติอย่างเช่นพระเจ้ามหาสุทัศนะในพระนครเนี่ยทั่วพระนครไม่ต้องทำงานไม่มีการกสิกรรมไม่มีโคละกะกรรมไม่มีพาณิชยกรรมตื่นเช้าขึ้นมามาที่ ประตูพระนครแล้วก็หยิบทรัพย์สมบัติไปเลยใครอยากได้เท่าไหร่หยิบไปใครมีอุปกรณ์มีที่ใส่ก็ใส่ไปเลยนะหมดแล้วมาเอาใหม่มารับใหม่จากพระนครไปไม่ต้องทำงานนี่คือทำมามากนไมก็มีแจกมากมีแจกมากอย่าคิดว่าเราเป็นคนจนนะโยมเราหาอุปกรณ์ทำได้ตลอดเลยนะ เปิดแป๊กเดียวเนี่ยเปิดพัดลมเปิดไฟเปิดอะไรเป็นทานทั้งหมดแค่ขยับนู่นขยับนี่ก็ได้แล้วปูนั่นปูนี่แม้แต่ <c oughs> มีการเชื้อเชิญนี่เรียกว่าเป็นการต้อนรับมีการเชื้อเชิญ เ, เชิญนั่งครับเชิญนั่งค่ะเอามาตรงนี้สิมานั่งตรงนี้สิครับเดี๋ยวผมไปเลือกหาที่ใหม่อันนี้ครับนี่ผมตักให้นะครับผมบริการให้ อ่านี่นี่ครับน้ำแม้แต่เขาตั้งไว้แล้วนั่นแหละบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนี่ยบริการตัวเองเราเลยไม่ได้บุญเลยก็บริการคนอื่นได้โยมเขาไม่ได้ห้ามหรอกนะต้องเตรียมไหมโยมมันอยู่ที่วางเจตนาไว้ก่อนว่าจะให้แล้วเราก็จะพิจารณาหาวัตถุได้เห็น ไ, ไหม นั้นก่อนให้เรามีการค่้ยควรแล้วพอไปเจอวัตถุที่ไหนก็น้อมที่จะให้เนะพราะเราเตรียมตัวไว้หมดแล้วทุกด้านทุกมุมนี่เรียกว่าปุบพระเจตนามะพอขณะให้ปุ๊บเราก็ศรัทธาสี่ต้องพร้อมแล้วในขณะนั้นไม่ใช่โอ้โหพอพระมายืนแล้วก็จบสิบนาทีผ่านไปพระก็เปิดบาทรอ จนบอกอไม่ไหวแล้วพระรอไม่ไหวแล้วไปดีกว่าโยมเงยหน้าขึ้นมาพระไม่อยู่แล้วอันนี้ก็เกินไปโยมก็เตรียมพร้อมไว้แล้วศรัทธาสี่เราต้องค่ายควรไว้หมดแล้วนะในขณะให้เนี่ยไม่ใช่มาค่ายควรตอนนั้นนะโยมนะค่ายควรเตรียมไม่หมดแล้วว่าเราจะศรัทธาสี่พร้อมในขณะให้นั้นหย่อนลงไปด้วยความเคารพความอ่อนน้องหรือแม้แต่ให้ลูกเนี่ย เอาไปไม่ใช่เอาไปอย่างนี้นะโยมนะต้องมีคำพูดนี่เรียกว่าเมตตาวจีกรรมนะมีคำพูดแล้วแต่โยมจะแนะนำนะให้สามีให้ภรรยาหรือแม้แต่ซื้อของอสมมุติว่าสั่งพิซซ่าสั่งเค c ซมาบ้านเนี่ยโอ้โหมาใชา้แล้วเกิน30นาทีเดี๋ยวฟ้องร้องเลย อย่างนี้เราจะได้บุญไหมเนี่ยโยมเขาสากขาบนะแต่มาเคยเป็นคนส่งกว่าจะมาถึงเนี่ยโยมเสี่ยงชีวิตมาเท่าไหร่นะเนี่ยโยมกว่าจะผ่านรถกว่าจะมาถึงเนี่ยเหนื่อยจะเป็นจะตายโยมเจอหน้าโอโ้โหอย่างกระสิงสารสัตร์นะแล้วก็มาด่ามาว่าอีกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราก็นะ ตัวเองก็ไม่ได้บุญด้วยไปทาลายคนอื่นดีดงนั้นต้องหมุนให้ได้ไม่ว่าจะในบุคคลใดนะในเวลาไหนโยมต้องหมุนให้ได้นะต้องปุพหะเจตนาเตรียมไว้ก่อนเลยทุกด้านาฝึกไว้ทุกด้านนะไม่ว่าจะมุมไหนด้านไหนโยมต้องฝึกนะอันนี้คาพูดนี้ต้องไปฝึกเองนะโยมนะเพราะมันเกิดกับชีวิตของโยมเองนะถ้า เอาเหตุการณ์ของอาตมามันก็ไม่ตรงกับโยมเองโยมต้องไปฝึกในเหตุการณ์จริงของโยมเองนะตื่นเช้าขึ้นมามีอะไรบ้างในขณะไปทํางานเจออะไรในขณะขับรถนะต้องเจอคนปาดหน้ามอไซต์ปาดหน้าเดี๋ยวหมาตัดหน้าเดี๋ยวอะไรตัดหน้าก็แล้วแต่ไม่ต้องหุดหงิดเกิดได้นะไม่ใช่เกิดเฉพาะเราคนเดียวดอกโยมเกิดได้ทุกคนนั่นแหละ แต่ก็วางใจนะให้อภัยนะเป็นทั้งมหาทานเป็นทั้งศีลพอกลับมาให้ควรได้อีกโอ้ยวันนี้นะไม่กโกรธเลยนะเขามาทุบ ก, กระจกไม่เป็นไรเลยนะใจของเราสบายเนี่ยเราพร้อมแล้วนะฝึกไว้ทุกด้านคราวนี้หลังหลังเนี่ยเราต้องมีเวลาให้นายโยมนะ กอนนอนหรือมีเวลาว่างวันหยุดควรจะต้องหยุดพักเพื่อให้ใจได้พักอยู่กับบุญกับกุศลไม่ใช่พักแล้วก็นอนทั้งวันนะโยมนะอันนั้นถ้าลงพวังเมื่อไหร่ไม่มีบุญไม่มีบาปเลยเสียเวลาเลยแต่ถ้าหลับไม่สนิทฝันเป็นบาปอีกบางทีก็โลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างดังนั้น คู่ให้เมื่อเจตนาพร้อมแล้วพอให้แล้วจะมีผลมากมีอนิสง์มากมีหญิงคนหนึ่งนะชาวสี่าังกาเนี่ยเขาเขาเป็นคนยากจนมากเป็นคนขัดสนเขาไปเก็บดอกบวบขมที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเนี่ยนะนำไปบูชาพระเจดีแต่ยังไม่ถึงนะไประหว่างทางเนี่ย โดนแม่วัวขิดนะตายกลางทางนะแต่ผลที่นางได้ใข้ควรได้พิจารณานั่นแหละในปุพาเจตนานะแล้วก็มีการสวดบูชาพระพุทธเจ้าไปในระหว่างทางเนี่ยทำให้นางได้เกิดเป็นนางเทพธิดานะวิมานของเธอเป็นทองหมดเลยทองคำหมดเลยผ้าปูก็เป็นทองเตียงต่างเป็นทองหมด วัตถุสิ่งของแม้แต่เสื้อผ้าอาภรก็เป็นทองทั้งหมดเลยนี่ปุพเะเจตนาของนางเนี่ยมั่นคงเป็นบุญแล้วโยมของยังไม่ไปถึงพระเจดีหรอกแต่ได้บุญเรียบร้อยแล้วบุญเกิดในในขณะขณะก่อนให้นะอันนี้เป็นบุญเก็บเกี่ยวบุญได้ตลอดเลยนะทั้งก่อนให้กณนให้หลังให้ ในเรื่องของศีลก็เช่นเดียวกันในเรื่องของาภาวนาก็เช่นเดียวกันก็จะมี3มระดับนี้นะนี่คือทายกคือผู้ให้ต้องประกอบด้วยสมอย่างนี้จึงจะได้ผลมากได้อ น, นิสงฆ์มากก็จะไหลไปเหมือนห่วงน้ําส่วนผู้รับมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะก็คือผู้ให้ในพศ า, าสนานี้นะเป็นผู้ป่า จ, จากรราคะ หรือปฏิบัติเพื่อปัสจากราคะเป็นผู้ปฏิบ yani um ัติเพื่อปัสจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปัสจากโทสะเป็นผู้ปัสจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปัสจากโมหะเป็นผู้ปัสจากราคะโทสะโมหะมีสามประเภทก็คือพระโสดาพระ 阿รหรันพระปเจกพระพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะและโทสะมโมหะทั้งสามเลยนะ <c oughs> หาไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังส่งพระมหากรุณาบอกว่าถ้าถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ใช้วิธีการถวายสงฆ์ในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ มีพระพุทธรูปตั้งไวนะ้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าถวายส่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้นะและเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้จะได้เปิดให้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในปัจจุบันนี้นะก็คือมีพระพุทธรูปนะหรือแม้แต่ต้นพระศีมหาโพธิ์ หรือต้นโพทุกๆต้นสามารถเป็นตัวแทนได้พระเจดีเป็นตัวแทนหรือแม้แต่พระไตรปิฎกนี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าหลังการล่วงไปแห่งเราก็สามารถที่จะมีพระธรรมนั่นแหละพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนั่นแหละเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเรานะ ดังนั้นผู้รับป่าจะกรกาค้าโทสะโมหะเนี่ยในปัจจุบันไม่มีเราก็ใช้วิธีการถวายแก่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะส่วนผู้ปฏิบัติเพื่อป่าศจากราค้าโทสะโมหะนั้นก็คือใน <c oughs> ในบางที่กล่าวไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงไตสรสารณคม อุบาสกพูดถึงใจสานานคมแต่ในในชรังคาธนสูตรเนี่ยท่านกล่าวไว้เป็นสมมนเนินะสมมนเนมม น, เนผู้บวชในวันนั้นเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อป่าสจากราคาโทสัมโมหะถ้าให้กับบุคคลกลุ่มเหล่านี้นะสมมนเนนขึ้นไปนะสมมนเนนพระภิกษุผู้บวชในวันนั้นภิกษุผู้ปฏิบัติผู้มีศีล มีวัดที่ดีงามผู้ปฏิบัติสมถาวิปัสนาหรือผู้ไดนะ้มักสมังคนะีได้แก่ผู้บรรลุโสดาปฏิผลนะกลุ่มเหล่านี้เป็นผู้ที่กำจัดปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหนะในบางที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงไตสรานาคม แต่ในที่นี้กล่าวว่าเป็นสมัมมเณรขึ้นไปนะอันนี้คือองค์ประกอบของของของการที่ผู้ให้กับผู้รับจะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากผู้ให้ให้กับผู้รับประเภทเหล่านี้จะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากนะคราวนี้ถ้าเกิดกลุ่มเหล่านี้ จะหาลําบากหน่อยหาผู้ที่จะาหาผู้รับลําบากถ้าเกิดเราจะให้ทานในปัจจุบันนี้เราควรจะให้แบบไหนครับให้กับบุคคลอย่างไงดีถึงจะเหมาะสมหรือมีแบ่งประเภทเป็นอย่างไรครับให้สมบเรณ์ช่วยอธิบายด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพอฟังไปนานๆแล้วพอดีมีคําถามเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง พอได้เห็นแบบหลายๆคนก็หลับตาอยู่ก็เลยไม่รู้เขาฟังหรือเปล่าในนี้นี่มีใครบ้างไหมที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องฟังเรื่องทานแล้วคือพูดง่ายภาษาชาวโลกว่ามีใครบ้างไหมที่มีความหลุดพ้นทางการเงินบ้างแล้วช่วยยกมือหน่อยได้ไหมเอ่ยที่มั่นใจว่าตั้งแต่วันนี้จนเราจะสิ้นชีวิตไม่รู้อายุกี่ปีเนี่ยเรามีเงินใช้พอแน่ๆ่ แบบว่าครอบคุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งตัวเองและครอบครัวในนี้มีใครมีบ้างไหมเอ่ยมีใครมั่นใจขนาดนี้บ้างไหมมีอยู่คนหนึ่งนะก็ถ้ามีความมั่นใจขนาดนี้ความอยากจะฟังมันอาจจะน้อยลงบ้างก็ได้แต่ไม่น้อยนะเอาเดี๋ยวให้โยมเขาแชร์หน่อยว่าทำไมเขายังอยากจะฟังอยู่นะ ไม่ไมไมไมไม เ, เข้าใจก็คือโยมเห็นความสำคัญยังไงในเมื่อโยมก็มีรัพย์อยู่แล้วแล้วยังอยากจะฟังเรื่องทานอยู่ อ, อ๋อเข้าใจแล้วจะค่ะเออเป็นเพราะว่าโยมยังไม่ค่อยเข้าใจท่ อ, องแท้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานศีลหรือภาวนาเพราะว่าโยมเพิ่งมาเดินทางนี้ก็เมื่อไม่นานแล้วก็ เพิ่งจะเจอพระอาจารย์ที่สอนในลักษณะว่า อ, อย่างเนี้ยค่ะสอนในในรายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเพิ่งเจอค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าตัวเองยังไม่รู้พอเพราะฉะนั้นก็ต้องอยากขวนขวายรู้ให้หมดค่ะรู้ให้จริงเพื่อจะได้ไปทําถูกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้แม้กระทั่งทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่ทานศีลภาวนาเนยค่ะทุกเรื่องเลยค่ะยังยังไม่ ยังยังยังโง่เขาอยู่เอาเอาพูดแบบชัดๆเลยนะคะนะคะแล้วพระอาจารย์จะถามว่าไงนะคะอ๋อไม่มีแค่อยากฟังเสียงโยมเฉยๆไม่มีจ้ะอยากให้โยมพูดมั่งเนาะพูดอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวไม่มีอะไรหาเรื่องพูดกับโยมแค่นั้นแหละเอาเดี๋ยวให้สักคนหนึ่งดีกว่า วันนี้พอดีมีคนมาถวายทานเอาเอาไมให้ดกเตอร์ที่ภาวดีหน่อยด็อร์ที่ภาวดีเนอะด อ, อรที่ภาวดีอายุห0สิกว่ากว่านะก็ยังทำทานอยู่วันนี้เอาอะไรมาให้เอ่ยวันนี้ทำบุญอะไรบ้างเอามันฝรั่งมาถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะคิดยังไงทาไมทาไมถวายมันฝรั่งนึกว่าพระอาจารย์ อายุวัยรุ่นวัยรุ่นก็อาจจะชอบขนมเหล่านี้เจ้าค่ะแล้วตัวอาจารย์เองกินไหมดรที่ภาวดีกินไหมชอบเหมือนกันเจ้าค่ะหกสิบกว่า <c oughs> ยังกินเลยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เออกรณีก็คือเป็นตัวอย่างนะอาจารย์ที่ภาวดีเขาอายุหกสิบกว่าแล้วเขากเกษียณแล้วฐานะ ฐานะทางการเงินเขาโอเคแล้วแต่เขายังทําทานอยู่นะแล้วก็เนี่ยเวลาเขาให้ เ, เขาก็แม้ว่าตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยชอบกินเลยแต่เขารู้ว่าคนรับชอบกินเขาก็เอามาให้นะอย่างเงี้ยเขาให้โดยที่เขาไม่ยึดว่ามันต้องเป็นตัวเขากลับกลับกันนะอย่างแม่อตมาเนี่ย แม่อาัตามาเนี่ยรู้ว่าอาัตามาชอบกินรสชาติอะไรแต่เขาไม่เคยสามารถทํารสชาตินั้นได้เขาทําเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นรสที่เขาชอบกินตลอด <c oughs> <c oughs> อ่ะแม่อาจารย์ก็เลยไอยแม่อาัตามาก็เลยฐานะทางการเงินสู้ดรที่ภาวะดีไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็อาจารย์ที่ภาวดีเขาก็ <c oughs> ทําบุญอีกอย่างหนึ่งวันนี้คือการปรวารณาเนานะ ก็รู้จักกันมานานแล้วแต่เขาไม่เคยปวารณาเขาปวารณาเฉพาะอยู่ที่นี่ตอนนี้นะตามที่เขาสะดวกการปรวารณาเนี่ย<ม>ก็คือสิ่งที่โยมนะเ่บอกกับพระว่าให้ขอสิ่งที่ต้องการได้นะอาจจะ ก, กำหนดกำหนดวัตถุว่ามีอะไรบ้างหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่ปกติพระจะเป็นคนถามกลับว่าโยมปวารณาอะไรและเวลาเท่าไหร่การปรวารณานี่เปรียบไปมันก็เหมือนกับว่า พระมีพอเก็ตมันนี่นั่นแหละโยมเหมือนกระเป๋าสตางค์ให้พระนั่นเองอะอยากจะใช้อะไรตอนไหนก็ได้ปกติบางทีส่วนใหญ่ญาติโยมจะมาเนี่ยเวลาเขาจะมาเขาจะโทรมาถามว่าอาจารย์จะมาถวายเทียนเอาอะไระบางทีมันเล่งมันนึกไม่ออกไงแต่ตอนที่นึกออกเขาไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก็เลยขอไม่ได้เพราะว่าขอได้แต่ญาติญาติเจ็ดชั่วโคตรเป็นต้นและคนที่ปวารณาอย่างเนี้ย เขาได้ให้ความสมปรารถนาได้ให้สิ่งที่พระต้องการในเวลาในเวลาที่พระจาเป็นจริงๆก็คือผลก็จะได้เป็นความสมปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนจะมาบวชเนี่ยเข้าวัดมาเป็นเป็นสิบปีแล้วแต่ไม่เคยทำตรงนี้อาตมาก็จะได้อะไรไม่ค่อยสมปรารถนาเป็นประจําอันนี้ก็คือผลที่อาตมาได้รับนะก็ ให้เาแชร์กันเล็กๆน้อยๆว่าเนี่ยออคนเขาอายุขนาดนี้แล้วนะน่าจะมีความหลุดพ้นทางการเงินระดับหนึ่งแล้วแต่เขายังเห็นความสําคัญของทานเขายังให้ทานอยู่นะซึ่งถ้าจริงๆมองไปเนี่ยมองย้อนกลับมาจริงๆพวกเราส่วนใหญ่ที่นี่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงนะก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยออการทําอาหาร ก, กินค่อนข้างลำบากเฟื่เครื่อง แฟนดีๆหายากบอกได้เลยผู้ชายดีๆหายากส่วนใหญ่เรต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะยอมมีหรือยังมีแล้วค่ะมีสองสาวแล้วจะบอกว่าคุณแม่แปดสิบกว่าก็ชอบเละเหมือนกันแล้วก็ทานอะไรแปลกๆก็ต้องหาอะไรแปลกๆไปให้ท่านทานเหมือนกัน เมื่อกี้ยังอยากจะวกมาตรงที่ทานศีลภาวนาหน่อยนะคะเรื่องเจตนาเนี่ยพูดถึงตั้งแต่เช้าเราตื่นมาเนี่ยความจริงพวกเราทุกคนที่เป็นแม่บ้านหรือว่าพวกสาววัยรุ่นทุกคนก็ได้ทำพวกนี้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ไม่ได้มองลึกลงไปว่าตรงนั้นน่ะเป็นศีลเป็นทานคือไม่ได้แยกแยะแต่เขาก็ทาหน้าที่ของเขาทุกวันแต่ว่าไม่ได้มองลึกล ะ, ละเอียดอ่อนไปถึงกนาดนั้นนะคะ แต่นี้ว่าท่านพระอาจารย์บอกว่าให้เจตนาให้ให้ดูแล้วก็พอว่า ง, างตอนเย็นกัางคืนว่างเราก็มาพิจารณาว่าวันนั้นทําอะไรบ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้มองไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่ก็ทาทานนี่ทำเกับทุกวันมีของในบ้านนี่ถ้าเหลือกินเหลือใช้ก็จะแจกทัานแถวเด็กหน้าบ้านตั้งะทุกระดับคือ คนนี้คอาลูกเขาแรกเกิดเรามีนมผงเราก็ไปให้เขาแรกเกิดถึงหกเดือนเอลูกสาวเอาของตัวอย่างมาที่บ้านไม่มีไม่ได้ใช้คือก็เอาไปแจกเขาดีกว่ามันหมดอายุอะในใจคิดแบบนี้ดีดีกว่าว่าทิ้งไปคืออยากอยากที่จะให้เขาอย่างที่บ้านไหวยเยอะเงี้ยสิบกว่าที่ไหวเสร็จทางก็ไม่ไหวก็แจกแบบนี้ะ่ะแต่ก็ไม่ได้มาคิดคิดลึกแบบที่อาจารย์แนะนาอะ ว่าแยกว่านี่เป็นศีนี่เป็นทานหรืออะไรแบบเนี้อยากจะสอนให้ท่านสอนวิธีคิดอะ่ะคือท่านบอกมันเป็นวิธีที่ถูกต้องต้องต้องมากําหนดมาจิตและมาคิดอะไรแบบนี้ ท, ท, ทั้งที่ความจริงทุกวันเนี่ยทุกคนเนี่ยทำอยู่ทุกทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะนี่พูดจากข้างในออกมาเลยนะคะขอความกระจ่างแล้วก็ช่วยสอนด้วยค่ะ อ๋อดีแล้วสาธุก็แปลว่าจริงๆพื้นฐานจิตใจเราอะ่ะเป็นคนใจดีอยู่แล้วชอบแจกแล้วก็รู้ประโยชน์ว่าสิ่งไหนอะไรควรแก่ใครแต่ที่เรามาพูดเป็นทฤษฎีเนี่ยก็คือแรกๆเนี่ยถ้าโยมฟังเข้าไปแบบรับเข้าไปแบบเต็มๆ เ, เลยนะมันจะออกอาการหนึ่งก็คือว่าจะทำอะไรสักอย่างมันดูจะเป็นคนคิดมากรู้สึกอย่างนั้นหมอ้เวลาจะทาอะไรสักอย่างต้องคิดขนาดนี้เลยเหรอวะ เห ว, วะเลยนะพูดกับตัวเอง เ, ออเราเร า, เราฟังแวนะแต่จริงๆก็คือจุดประสงค์ที่ท่านต้องการก็คือมันเป็นไปใน ต, ตามหลักสัมปทานสี่ก็คือหมายความว่ากุศลที่ทําแล้วเคยทําแล้วก็ให้ทําต่อไปและกุศลใดที่ยังไม่เคยเกิดก็ทําให้เกิดขึ้นคือที่เราแจกแจงต่างๆเนี่ยเพื่อให้รูปแบบกุศลของโยมมันเกิด ได้มากขึ้นเวลายโยมมีข้อมูลไปถูกไหมเลยเพราะว่ากุศลจะเกิดก็เกิดจากว่ามีปัญญาปัญญาคือปรโตโขสระได้ฟังมาแล้วเกิดโยนิโสมนสิการหมาไปบอกว่าเวลาเหตุการณ์นั้นมันมาถึงพอดีแล้วเราเคยตรึกไว้ในใจบางทีสติมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ทั้งหมดจุดประสงค์ในการที่พูดทั้งหมดนี่เพื่อให้ปีติเกิดเวลามีข้อมูลมากปีติ จะเกิดแต่ถ้าทำไปช่วงแรกมันอาจจะยังผิดทางบ้างมันจะนึกขึ้นมาแต่ใจยังไม่ไปจริงอย่างเช่นรู้เรื่องสังฆทานแต่ว่าใจมันไม่อินกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันก็ยังแรกๆกมันยังไม่ค่อยไปก็ข้อมูลมันจะมาอย่างนี้ก่อนแต่คราวนี้เนี่ยมันจะช่วยโยมที่รู้สึกว่าให้โยมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทาพระพุทธองค์รับรองแล้ว ว่ามันเป็นความดีในขณะที่เรากำทำอยู่แม้ว่าโยมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่การรู้ตัวเนี่ยทำให้เชื่อในกรรมและผลของกรรมมากขึ้นแล้วการทำทานนั้นจะหนักแน่นมากขึ้นนะพอจะตอบโยมได้ตรงบ้างหรือเปล่าเอยให้โยมมีฟีดแบ็กมั่งนะเดี๋ยวเอาไมให้หน่อยนะขอขอไมใหเนานะ สงสัยอยู่หน่อยว่าการทำสังฆทานกับการใส่บาตรทุกวันเนี่ยเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าใส่บาตร้อยองค์เท่ากับทำสังฆทานหนึ่งครั้งนี่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะเพราะตัวเองบองตรงว่าช่วงเช้ามากๆตื่นไม่ไหวแต่ชอบทำสังฆทานชุดใหญ่อะไรแบบนี้ไปทั้งครอบครัวเพราะว่าลูกก็จะพร้อมหมดสามีก็พร้อมไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยไปทาที่วัด แล้วก็คบเครื่องหน่อยแล้วอันนี้สรงเนี่ยมันต่างกันไหมคะคำถามนี้ถูกใจคนที่นั่งด้วยไหมคะคถูกใจกดไลค์หน่อยกดไลค์กดไลค์เ <laughs> ออก็คือคำถามว่าใส่บาตพระร้อยองค์เนี่ยเท่ากับทำสังฆทานไหมก็คืออันนี้เดี๋ยวขอตีความก่อนที่โยมทางสังฆทานเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงเตรียมอะไรบ้างแล้วคิดยังไง เอาไมเลยเอาไมเลยจ้ะเดี๋ยวเหมืเราคุยกันสองคนเลยได้ค่ะตอนนี้จุดประกายฉันร้อนแล้วค่ะโอเคก็จะมีถังมีข้าวมีกระปิน้ำปลามีน้ำตาลมีของใช้หลายอย่างน้ำยาขัดส้วมแป้งมีทุกอย่างอ่ะครบชุดอ่ะคิดว่าเป็นชุดใหญ่มีจานมีช้อนมีของแห้งอะไรอย่างเงี้ยอวนตีนมข้าวที่นึกได้อ่ะที่บ้านชอบซื้อไว้อะไรเงี้ยเอามารวม น้ำมันพืชน้ำปลาซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกครบชุดอ๋อแล้วก็มีผ้าใราหนึ่งชุดค่ะผ้าใยจะซื้อไว้เวลาเราไปทำสังฆทานเราก็มีเลยตรงนี้เดี๋ยวนิมนต์ท่านมาหาตอบ ด, ดีกว่าว่าว่าทาสมมติว่าใส่บาทที่พระที่เดินไปเดินมาสักร้อยองค์เนี่ยกับทำอย่างที่โยมเขาบอกแล้วยมเขาเรียกว่าเป็นสังฆทานเนี่ย ที่เตรียมข้าวสารกระปิน้ําปลาอะไรชุดใหญ่แล้วเรียกคนในครอบครัวมาใส่ด้วยเนี่ยที่โยมเขาบอกว่าเป็นสังฆทานอย่างนี้อย่างไห น, นได้บุญเยอะกว่าเพราะเหตุผลอะไรครับเรื่องของการถวายส่งนยโยมก็อยู่ที่เจตนานี่ยแหละโยมต้องตั้งใจก่อนเจตนาจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องนายโยมนะสง่งนะ่ะมีอยู่ สามประเภทด้วยกันที่ที่ที่เราสามารถถวายนะถวายสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายสงและถวายกับบุคคลผู้มาจากสงนะถวายสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็คือเรานิมนต์พระเก้ารูปแล้วก็มีตั้งพระพุทธรูปไว้นั่นแหละนะ อันนี้คือพระพุทธเจ้าอนุญาตนะว่ามีพระพุทธรูปเป็นตัวแทนคราวนี้นิมนต์สงตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนิมนต์พระหรือสัมมะเนนซึ่งมาจากสงไปไปไปที่วัดบอกว่าออขอนิมน พระหรือสัมมเนนก็ได้นะหรือบุคคลใดก็ได้นะที่ที่มาจากสงเนี่ยไปนิมนต์ไปรับที่บ้านหน่อยนะเขาก็ส่งสัมมเนนไปนะทางทางทางวัดก็ส่งสัมมเนนไปสัมมเนนเมื่อได้รับของมาจากโยมแล้วก็ม า, าไว้ในคางก็ตามพอถึงวันนะพระก็จะมีการ ตั้งสมมุติพระรูปหนึ่งให้เป็นผู้แจกของสงฆ์ตามลําดับภษาษาตั้งแต่พระเถระไล่ลงมาจนถึงสา ม, มนเณรนั่นแหละอันนี้คือสามระดับของที่เราจะถวายได้ในจนํานวนของสงฆ์มิใช่เป็นวัตถุสิ่งของ น, นะโยนะไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของหรือถ้าเราจะถวายมันไม่ใช่เกี่ยวกับจํานวน น, วนะโยนะไม่ใช่ว่าถึง จำนวนเท่านี้แล้วมันจะเป็นสงได้หรือเราใส่บาสีรูปมันจะเป็นสงได้ไม่ใช่นะอยู่ที่เจตนาของโยมต่างหากเจตนายมเข้าใจนะว่าสงนี่หมายถึงอะไรนะไม่ใช่วัตถุเป็นถังๆเรียกวัสังทานวัตถุนั้นเป็นทยยรรมนะเจตนาที่โยมเข้าใจว่านั่นคือสงต่างหากและโยมถวายไปแม้แต่ถวายนะ ช็อกโกแลตก้อนนึงแด่ภิกษุหรือสัมมเนรรูปนี้แต่โยมบอกว่าขอถวายเป็นสงขอถวายเป็นสงถ้าสัมมเนรท่านเข้าใจท่านก็จะไปที่วัดแล้วก็แจกกันตามลำดับอันนี้สมมุตินะ <c oughs> แจกตามลำดับพรรษาตั้งแต่พระเถระลงมาจนถึงสั ม, มเนร นี่เขาเรียกว่าสงาจะช็อกโกแลตเป็นสังฆทานไหมคราวนี้เป็นสังฆทานแล้วจะใส่ภาชนะแบบไหนอย่างไรก็ตามไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดโยมไม่เข้าใจโยมถาวายเป็นพันรูปก็ไม่เป็นสังฆทานนะนแต่ถ้าโยมคิดในใจมันจะมีข้อปฏิบัติของของพระเนี่ย ถ้าโยมคิดในใจพระไม่รู้พระไม่รู้ว่าโยมเนี่ยถวายสังฆทานพระเมื่อเมื่อมาใส่บาตรพระแล้วนั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเพราะพระไม่รู้ว่าโยมมาถวายสงฆ์เราโยมไม่ได้บอกพระดังนั้นพระก็เข้าใจว่าโยมถวายบุคคลพระก็ต้องคิดว่านั่นเป็นของพระ พระก็ไม่ต้องนำไปแจกนะที่บินทบาทนี่นะพระเขาไม่ได้ไปแจกเพราะว่าโยมไม่ได้บอกว่าโยมถวายสงนั้นจึงเป็นของส่วนตัวของพระแต่โยมจะคิดในใจว่าถวายสงก็ตามนั้นก็ไม่เกี่ยวนะคิดในใจนั่นเป็นเรื่องของโยมโยมก็ถวายสงไปแล้วโยมได้บุญที่ถวายสงนะเกี่ยวกับเจตนานะเป็นสำคัญนะโยม ครบหมดยังคำถามมีอะไรให้ให้ให้โยมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยอาจารย์พูดนี่หมายถึงว่าเชิญท่านมาหนึ่งลูกใช่ไหมคะแต่นี่ไปทำที่วัดหัวลำโพงค่ะ ท่านก็นั่งบนตังแบบนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ข้างงแล้วเราก็ยกถังไปแล้วบอกว่าท่านก็จะถามว่านี่มันโอกาสอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันเกิดที่ั่นหรือวันเกิดลูกอะไรเงี้ยแล้วเรามาทั้งครอบครัวแล้วยกมาทั้งถังแล้วบอกว่ามาทำสังฆทานอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือเจตนาเจตนาที่ท่านบอกที่ท่านบอกว่าแล้วแต่เจตนาอันนี้คือจทีจริงถ้าพระท่านรู้วินัยนะท่านก็จะแจกกันนะของทั้งหมดต้องอาไปรวมกันก่อนที่วัดใช่ค่ะอันนั้นแล้วแล้วท่านก็จะทํากิจของท่านอันนั้นเป็นสังฆกรรมของพระไม่เกี่ยวกับเราแล้วแต่เราได้บุญในสังฆทานไปแล้วส่วนพระจะทํา กิจของท่านน่ยมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะโยมได้บุญไปได้บุญสังฆทานไปแล้วเพราะโยมมีเจตนาก็ขอเสริมนิดนึงนะคือจริงๆอย่างตอนเรื่องที่พระนางประชาบดีทอผ้าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าถวายเราเลยเออให้ถวายในสงฆ์เถิดก็คือ นี่แหละที่จมาเข้าใจว่าเป็นต้นกำเนิดของสังฆทานก็คือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอถวายเราเธอก็ได้เท่ากับบูชาเราด้วยเจตนาสามการก่อนให้ขณะให้หลังให้เพราะพะนาประชาบดีทอด้วยมือตัวเองความปีติเพิ่มใจมันต้องมีมากกว่ารพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นนี่ขนาดเขาพูพระเจ้าอยู่ตรงนั้นพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าให้ถวายสง มีผลมากกว่าก็คือเธอจะได้บูชาทั้งเราแล้วก็บูชาทั้งสองด้วยก็กลายเป็นเจตนาหกก็คือในพระสงค์ด้วยก่อนให้ขณะให้หลังให้ก็นี่คือเล่าโดยยอ่อก็หมายความว่าจริงๆแล้วคำว่าสังฆทานเนี่ยคือการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหลักๆ ก, ก็พุทธคุณกับสังฆคุณซึ่งมันเป็นนามธรรมามันเลยอาจจะดู ยากนิดหนึง่งถ้าเราไม่เคยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงพระสงฆ์มีคุณยังไงอย่างย่อๆคือในบทสวดมนต์สังฆคุณเก้าบทมีอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยเป็นต้นทําไมต้องให้พระสงฆ์ก่อนก่อนที่จะให้แขกเหลือทั้งหลายก่อนที่จะให้คนที่เรารักที่ชอบใจถ้ามีพระมาต้องให้ก่อนนี่คือพระในความหมายคือเป็นนามธรรมคือพระอริยะจริงๆนั่นแหละที่โยมเคยได้ยินมาว่า ทำให้กับพระธรรมดาร้อยคนก็ไม่สู้สังฆทานก็คือความหมายก็คืออย่างนี้แหละในความเป็นพระอริยะอก็คือถ้าโยมเวลาขณะทำแล้วระลึกถึงพุทธคุณสังฆ ค, คุณได้จริงๆอย่างนี้ทํากับคนคนเดียวเป็นสมมุติสงเป็นปุถุชนาอาตมาก็เป็นสังฆทานสิ่งของใดๆอย่างหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่โยมเล่ามาอาตมาเห็นว่ามีข้อดีอยู่ก็คือ การที่ยมจัดแจงอะไรบางอย่างแล้วความปลื้มใจมันมากกว่าแล้วก็การที่ได้ชักชวนคนมาทำอย่างเี้ยก็เป็นทานที่มีผลมากแล้วแล้วก็การทำทานทั้งหลายเนี่ยจริงๆ จ, จุดประสงค์ที่ต้องการเลยคือถ้าทานนั้นจะมีผลมากโยมสมาทานศีลก่อนเป็นผู้มีศีลแล้วให้ทานแล้วการให้ทานนั้นไม่หวังผลตอบแทนในด้านกรรมคุณ คือเป็นใจที่เนคข่ำ ม, มะน้องบ อ, อกจากการอัตมาฟังดูก็โยมเป็นคนใจดีอย่างเงี้ยนะคือการที่ใจเราเนอะบ อ, อกจากการอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยผลจะมากนะพระอาจารย์ครับเวลาดิฉันให้ใครเนี่ยสึกมีความสุขอะรู้สึกข้างในมันปิติอะมีความปิติแล้วรู้สึกไม่ได้หวังอะไรแต่รู้สึกว่าหวังความสุขใจมีความรู้สึกว่าเงินซื้อไม่ได้ตัวเนี้ยมันเป็นสุขใจที่อยู่ข้างในรู้สึกว่ามันปื้มอะ แต่ก็ไม่ได้หวังอะไรจากพวกเขาหรอกแต่ให้แล้วมันสุกสุกแบบเงินซื้อไม่ได้จริงขอบคุณค่ะก็ลักษณะของสังกฐานเนี่ยจะขาดง่ายนะโยมนะถ้าเราถวายสังกฐานแล้วไม่เข้าใจก็ถ้าเกิดเราจะไปถวายพระแต่เรารู้ว่าพระเนี่ยจะไม่ได้ทำนำไปทําประโยชน์ เราก็เสียใจสังฆทานก็ขาดทันทีเลยการถวายเพราะว่าทำด้วยโทสะทานังนะคือมีความโกรธมีความขัดเคืองนะอย่างนจะขาดนะสังฆทานการถวายสังฆทานนั้นไม่เป็นสังฆทานเพราะว่ามีความขัดเคืองในใจหรือแม้แต่ดีใจนะโอยพระรูปนี้น่าเลื่อมใสจริงๆเลย เ้าทักขอถวายสังฆทานแกพระรูปนี้เจอดจงเข้าไปมีความดีใจในพระรูปนั้นหรือคิดว่าท่านโอ้นี่พระเถระน่ะเป็นหน้าเรื่มใสเป็นคนดังเป็นพระดังแล้วเราก็เลยถวายเป็นสังฆทานก็ไม่เป็นสังฆทานเพราะเป็นโลภะทานังไม่ใช่ไม่ใช่สังฆทาน จะขาดง่ายในสังกัานนะี่นะโยมต้องเข้าใจเรื่องสังกัานให้ดีว่าถ้าประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเมื่อไหร่จะไม่เป็นสังกทานทันทีเลยต้องพิจารณาให้ดีเขาจะส่งใครมาก็ตามหรือพระรูปไหนก็ตามท่านยกตัวอย่างแม้แต่พระภิกษุโคตลภูในอนาคตจะมีหรือปัจจุบันนี้ก็มีแล้วหมายถึงพระภิกษุผู้ทุศิลป ที่มีเพียงสัญลักษ์ของพระเหลืองเท่านั้นสัญลักษณ์นะเขาเลยบอกว่ามีพระเหลืองห้อยคอก็เป็นพระแล้วอย่างนี้นะแต่แต่ท่านภิกษุโต ร, รพูนั้นท่านหมายถึงในการที่พระศาสนาจะสิ้นไปในใกล้ๆพศห้าพันนะนะแม้แต่ถวายกัภิกษุเช่นนั้น แล้วเจาะจงไปถึงสงก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเช่นกันนะเพราะมีความยำเกรงในสงนะท่านก็ยกตัวอย่างในประเทศอินเดียสมัยนั้นนะอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยท่านนิมนต์พระมานะทางสงก็ให้พระภิกษุทุสินมาท่านก็รู้อุบาสกคนนี้เพราะท่านเป็นคนดูแลวัด เป็นคนสร้างวัดนั้นท่านรู้ว่าพระองค์ไหนเป็นมีทิสายเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่เคยไม่เคยสํารวมในศีลเลยนะประพฤติปฏิบัติไม่ดีแต่มาที่บ้านอุบาสกนั้นที่นิมนต์มาเนี่ยอุบาสกนั้นก็ดูแลต้อนรับอย่างดีนะเหมือนว่ามีพระพุทธเจ้าในในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่เลยนะก็ดูแลอย่างดีต้อนรับล้างเท้านะ พระไปไหนไม่ได้ใส่รองเท้านะโยมนะเวลาเดินทางเนี่ยไม่ใส่รองเท้าทางบ้านทางที่นิมนต์ไปจะต้องเตรียมน้ำไว้ล้างเท้านะแล้วก็เป็นการฝึกใจนะให้มีใจอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนแล้วก็ได้เข้าใกล้ชิดพระนะผู้ชายก็จะได้มีโอกาสได้ทำนะสา ม, มนเณรหรือพระมีวรรษาในน้อยได้ทำกันเป็นประจา ก็จิตใจจะอ่อนโยนแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังธรรมะอุบาสกก็ทำอย่างนั้นเช่นกันล้างเท้าอย่างดีทั้งทั้งที่ในใจก็รู้ว่าพระรูปนี้เป็นคนทุสินนะแต่ที่ล้างเนี่ยท่านนี้เป็นผู้มาจากสงที่ล้างเนี่ยเป็นตัวแทนของสงก็ล้างอย่างดีดูแลต้อนรับปฏิบัติอย่างดีมีการอังฆา นะมีการตักข้าวตักอาหารให้อันนี้อร่อยนะครับอันนี้อร่อยนะคะเนี่ยอันนี้บำรุงหัวใจอันนี้บำรุงตับบำรุงไตนะคะ <c oughs> ดูแลอย่างดีนะแล้วก็ส่งน้อมส่งพ ร, พระนั้นกลับไปวัดเสร็จแล้วอตอนเย็นๆพระนั้นก็มาหาอุบาสกโยมยืมจอบหน่อย จะไปถางหญ้าที่วัดการถางหญ้าเป็นอาบัติผิดศีลทั้งๆ ท, ที่เป็นกุศลแต่ผิดศีลของพระเป็นกุศลไหมถ้ายมถางหญ้าเป็นกุศลนะแต่พระถางหญ้าเป็นผิดศีลเป็นอาบัตินะขุดดินถางหญ้าพระองค์นั้นก็มายืมจอบที่ไปถางหญ้าในวัดนะเสร็จแล้วอุบาสกก็เลยใช้เท้าเขี่ยจอบให้บอกเอ้าเอาไป <laughs> ชาวบ้านเห็นนะก็เลยโอ้โหเมื่อเช้าเนี่ยท่านทำอย่าง ก, กัมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานยังไม่ยังยังไม่ปรินิพานเลยดูแลอย่างดีเลยเป็นผู้ดีมีสกุลแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับทาตเป็นเหมือนกับคนถอยเลยทําไมท่านทําแบบนั้นกุบาสกนั้นก็เลยตอบว่ามีความยำเกรงในสงฆ์แต่นี่เป็นเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวกันนะ เมื่อเช้าได้บุญไปแล้วนะเรื่องสังฆทานได้บุญไปแล้วนะแต่อันนี้คนทุศีนนะอุบาสกเข้าใจก็เลยทำอย่างนั้นไปนะอันนี้เรียกว่าต้องยำเกรงในสงนะยำเกรงในสงจึงจะเป็นสังฆทานจุดมุ่งหมายสำคัญเลยยำเกรงในสงนะต้องมีความเคารพอ่อนน้อมนะและเข้าใจ กรรมและผลของกรรมส่วนการให้นะอย่างที่โยมว่าให้แล้วไม่คิดอะไรมากขอให้มีความสุขใจมีความสบายใจอย่างนี้ยังประกอบด้วยกิเลสนะโยนะยังให้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ให้ไม่บริบูรณ์แต่เป็นไปเพื่อสุขติจริงนะเป็นไปเพื่อสุขตินะเป็นไปเพื่อสวรรค์ ชั้นนิ ม, มานรดีทันปนนิมิตวสวดีเนี่ยชั้นที่หที่หแต่เมื่อสิ้นกามสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนั้นแล้วก็สามารถลงอบายได้เพราะาที่สร้างไปเป็นเหตุที่ยังไม่เป็นไปเพื่อออกจากวัฏทุกทั้งทั้งที่คิดดีนะอ้าวให้อา้าวการให้เป็นการดีอ่ะทั้งทงที่ให้ คิดอย่างนี้ก็ยังพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้สารเสริญเพราะไม่เป็นไปเพื่อออกจา ก, กวัตทุกให้ตามโมเพณีเนี่ยไปสู่สุคติเหมือนกันให้รู้ว่านักบวชเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่ได้หุงหาอาหารแล้วเราก็การที่เราหุงอาห า, า, หารแล้วจะไม่ให้กับท่านไม่เป็นการสมควรเราจึงให้ คิดอย่างนี้ก็เป็นการดีทั้งนั้นเลยนะให้เหมือนกับนักบวชนักบวชต่างศาสนาที่เขาก็ยังทําบุญอยู่แม้นักบวชเองอย่างกลุ่มของอาตมาเองก็ยังต้องทําบุญยังต้องให้ทานเพราะทานบา ร, รมีจะเต็มได้มันไม่ใช่หยุดทํามันต้องทําทำทำอยู่นั่นแหละโยงทําจนกว่ามันจะเต็มแล้วมันจะเต็ม ได้ง่ายไหมล่ะทานอ่ะทานบา ร, รมีมันไม่ได้เต็มง่ายๆถ้าเต็มง่ายๆพระพุทธเจ้าก็เต็มไปหมดแล้วใช่ไหมนี่เราต้องรออีกกี่อสงไขยอสงไขยหลายอสงไขยกว่าจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์พระพุทธเจ้าปัญญาที่ก่ดยี่สิบอสงไขยเนี่ยกว่าจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราวางแผนไม่ดี ปฏิบัติไม่ดีใครควรไม่ดีเราก็จะเสียเวลาอย่างมากในการที่จะไปท่องเที่ยวอยู่ในอบายนั้นยาวนานงั้นต้องเวลาให้มันต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดเพื่อที่จะประดับปรุงแต่งจิตให้ดีว่าเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาไปสู่ศีลพัฒนาไปสู่สมาธิและปัญญาเป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสออกจากวัฏทุกเนี่เป้าหมายสําคัญ ออกจากวัตทุจึงจะเป็นไปเพื่อทาทานนั้นไม่เป็นไปในวัตตะเพราะการทาทานที่เป็นไปในวัตตะเป็นความเศร้าหมองของทานนะเป็นความเศร้าหมองความตันหนีเอยความยินดีในวัตถุสิ่งสิ่งของความขัดเคือง ความไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนี่เป็นความเศร้าหมองของทานทั้งนั้นไม่เป็นไปเพื่อออกจากวัตทุกข์ทําบุญเท่าไหร่ทําดีเท่าไหร่เป็นไปเพื่ออยู่ในวัตจแล้วไม่ใช่ธรรมดาคนที่จะได้ในวสญญนะัสัญญาณสัญญาญัตนะเนี่ยจะต้องได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตยฌานอากาสาอากินอ่ะอาก อากาสานัญจาญตนะวิญญาณัญจาญตนะอากินจัญญาญตนะเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเขาเรียกว่าสมาบัติ8ปดจึงจะได้เนวสัญญาเนวสัญญาณาสัญญาญตนะภูมิท่านก็ยังบอกว่ายังเป็นไปเพื่ออยู่ในวัตฏะทั้งทั้งที่สูงแล้วนะสร้างบารมีมาเกือบแสนมหากรัพพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ มีความเห็นผิดเพราะทาเพื่อเป็นไปในวัตตะจึงทั้งทั้งที่ทาบุญด้วยเป็นมหากุศลด้วยที่ทำานะ่แต่เป็นไปเพื่ออยู่ในวัตตะอันนี้คือไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเข้าใจพอปฏิบัติก็ปฏิบัติได้สมาธิขั้นสูงเลยนะในวัญญายนาสัญญายาตนะเนี่ยแต่พะมีความเห็นผิดนั่นเอง จึงไปอยู่ในนั้นถึง 84,000 สี่พันมหากับมากมายหรือเกินโลกแตก 84,000 ี่พันครั้งเนี่ยนะโลกแตก8่ครั้งเนี่ยนะ ก, ก, นะก็ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่าเวลาทำบุญเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะข้อมูลไม่ไม่ไม่เต็มที่ข้อมูลไม่บริบูรณ์ เมื่อข้อมูลไม่บริบูรณ์เราก็เร่งทำเต็มที่เลยแล้วก็ได้จริงๆแต่ไม่ออกจากวัตถุกดังนั้นการให้ทานก็เช่นเดียวกันต้องคิดเพื่อออกจากวัตถุกได้มาเมื่อไหร่ต้องไม่ยึดติดไม่ใช่เฉพาะวัตถุสิ่งของเท่านั้นแม้แต่ลูกภรรยาสามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอา เป็นสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติ เ, เมื่ออยู่ด้วยกันผูกพันกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศสแต่เมื่อจากกาันต้องตัดให้ได้สละให้ได้ต้องไม่ยึดเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดเพื่อไม่ไให้ยึดได้มามากเท่าไหรเ่เวลามะพราวเนี่ย เป็นตอนสร้างบารมีพระพุทธเจ้าตอนสร้างบารมีเป็นเวลามะพามเนี่ยได้ถวายของนำถาดทองคำนะบรรจุทองคำบรรจุเงินบรรจุกระหาปนาเนี่ยเต็มถาดเลยเฉพาะถาดหนึ่งเนี่ยโยมท่านบอกว่าม้าที่เทียมรถม้าแล้วนะ สามารถวิ่งขอบปากถาดได้รถม้าเนี่ยนะเอาเอารถเก๋งสี่ล้อก็แล้วกันนะรถเก๋งสี่ล้อวิ่งบนถาดได้ขนาดไหนโยมวิ่งบนรอบได้อ่ะถาดนั้นนะนั่นแหละทองคําใส่เข้าไปถาดนั้นนะ ท่านกำหนดเป็นหนึ่งกรีดหนึ่งกรีด ท, ท่านก็หนึ่งกรีดเป็นยังไงไม่รู้ท่านก็เลยอุปมาเหมือนรถมา้าเทียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิ่งรอบถาดได้ในปัจจุบันไม่มีรถม้าแล้วต้องไปดูที่ลำปางแล้วก็ใช้รถนี่ยแหละสล้อนี่ยแหละวิ่งขนาดนั้นถาดทองคําใส่ทองใส่เงินใส่กรหาปปะนะถาดถาดเงิน ใส่ทองคําใส่เงินใส่กหาปณะทาสัมฤทธิ์ใส่เงิ น, ใ ส, ส ใ, สงนใส่ทองใส่กหาปณะเยอะแยะมากมายเลยทำไมรวยขนาดนั้นเวลามะพรามเนี่ยสมัยก่อนนั้นเวลามะพร้ามมีเพื่อนเป็นกุมารท่านท่านเกิดเป็นลูกอมาดเลยมีเพื่อนเป็นกุมารที่เมืองพารณาณสี เสร็จแล้วเขาก็ส่งไปเรียนที่เมืองตักกาศิลานะแถวประเทศเนปาลในสมัยปัจจุบันนี้นะแล้วก็มีพระราชาุมานอีกแ4ดหมื่นสี่พันเมืองไปเรียนด้วยไปเรียนที่เดียวกันเสร็จแล้วคนให้ทานด้วยปัญญารักษาสินด้วยปัญญาเกิดมาก็มีปัญญา ดังนั้นเวลามะพามเวลาเวลามกุมารเนี่ยมีปัญญาเรียนศินละปะที่คนปกติธรรมดาเรียนส6บปีท่านเรียนสามปีจบเสร็จแล้วก็มาช่วยอาจารย์เป็นผู้เป็นครูผู้ช่วยสอนสอนพระราชกุมารแปด0มืสี่พัน 8, 000, 000, องค์พร้อมกับกุมารกรุงพราณสีเนี่ยเป็นผู้ช่วยสอนเสร็จแล้วก็ พอเรียนจบแล้วก่อนจะจบเนี่ยอาจารย์บอกว่าเราไม่มีอะไรสอนแล้วเวลามะพารามเนี่ยเรียนไปหมดแล้วดังนั้นพวกเธอจงมีเวลามะพารามเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นอาจารย์เธอเสร็จแล้วก็กลับพากันกลับแล้วก็ต่างคนก็ต่างเรียนก็เรียนกับเวลามพาร้ามเวลามกุมารเนี่ย ก, ก่อนก่อนจะเรียนก็เรียนศิลปะวิชาทุกอย่างนะแล้วก็ส่งกลับไปปกครอง พอกลับไปพอแสดงศิลปวิทยาให้พระราชะวิด่าได้ได้ได้เห็นได้ทอดพะเนี้ก็ตั้งเป็นพระลาชาทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันก็เป็นพระลาชาทั้งหมดนะเสร็จแล้วก็กลับไปกรุงพราราณสีกุมารกรุงพาราณสีก็แสดงศิลปวิทยาให้พระวิด่าก็ได้เป็นพระลาชาเสร็จแล้วเวลามามะกุมารก็ได้เป็นอมตะเสร็จแล้ว ก็ได้แก้ไขปัญหานะในเมืองในพระนคร น, นั้นพร้อมทั้งกับปัญหา 84,000 ี่พันพระนครนั้นด้วยดังนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเวรมะพามาพอยากจะทำบุญก็เลยส่งข่าวไปให้กับกุมารพระราชาทั้ง 84,000 ี่พันพระนครนั้นให้ส่งทรัพย์สมบัติมาบอกว่าตอนนี้ต้องการจะทำทานให้อ่ พระราชาที่เป็นลูกศิษย์นี่นะช่วยช่วยหน่อยนะช่วยส่งของส่งบรรส่งทรัพย์สมบัติมาให้หน่อยจะทำทานนะก็ส่งมาทั้งทองคำทั้งเงินทั้งกระหับปะนะเต็มไปหมดเลยนะท่านบอกว่าเฉพาะเ <c oughs> ต่าที่ที่จะหุงหาอาหารยาวสิบสองยอททำบุญนะยาวสิบสองยอ คูณส6บกิโลเมตรนะหนึ่งยอดเท่ากับสิบหกกิโลเมตรสิบหกคูณสิบสองเท่ากับรอยเก้าสิบสองสยดก็ร้อยหกสิบอีกสองก็เป็นสามสสองเป็นร้อยเก้าสิบสอง ร้อยก้าสิบสองกิโลเมตรเฉพาะเต่าที่หุงหาอาหารเพื่อแจกเป็นทานเคยทำขนาดนี้ไหมโยมต้องต้องมีปัญญาอย่างมากในการทำบุญให้ทานในชาตินี้มีปัญญาอย่างมากนะเพราะ หนึ่งครั้งที่ให้ไม่ใช่หนึ่งอย่างที่ได้รับหนึ่งครั้งที่ให้ล้านล้านครั้งล้านล้านอย่างที่ได้รับนะนับจากตรงไหนโยมนับจากตรงตรงจิตจิตเรียกว่ามหากุสล ที่ทำหนึ่งกระพริบตาจะได้ผลถึงล้านล้านอันนี้คือทำบุญถ้าทำบาปละ่ะทำบุญหนึ่งกระพริบตาหรือหนึ่งดีดนิ้วเท่ากับผลกรรมที่เราจะต้องไปชดใช้ล้านล้านครั้งและทำหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันจะเป็นยังไงโยม ไม่แปลกเลยที่เขานับจำนวนการค่าค่าสัตว์หนึ่งตัวแล้วไปใช้จไปชดใช้กรรมตามจำนวนของขนอย่างนี้นะนนะเช่นสุนัขหรือหมูหรือวัวควายที่ค่าไปนับตามจำนวนขนนั่นนะ่ะก็คือหมายถึงจำนวนวิบากที่จะได้รับแต่ละครั้งนั่นแหละ นั้นเวลามะาาพรามเนี่ยกว่าจะร่ำรวยขนาดนั้นท่านก็ไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยนะในชาติอดีตก็เป็นคนยากจนแต่เพราะให้ด้วยจิตใจที่มั่นคงตั้งมั่นให้ของก็ไม่ใช่ประนีตอะไรเหมือนยกตัวอย่างผู้หญิงเมื่อกี้ที่เด็ดดอกบวบผมมา3าสี่ดอกเนี่ยได้ผลผลของทานได้จำนวนมากมายเนี่ย เกิดจากปัญญาล้วนๆนะปัญญาที่เข้าใจกรรมและผลของกรรมแม้จะให้ไม่มากแต่จำนวนความคิดมากนะแม้จะให้อของทีเ่เล็กน้อยแต่ผลมากมายมหาศาลเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจการให้นั่นเองนะเวลามื่อพา์จึงได้ของที่มาถวายทานมากเลยนะ เมื่อตรเตรียมของทุกอย่างแล้วทั้งผ้าทั้งอาหารทั้งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคครบเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเต็มไปหมดทรัพสมบัติถาดเนี่ยนะท่านจะเรียงไว้เลยจัดเป็นกลุ่มเลยกลุ่มละแ8ดหมื่นสี่พคนแล้วก็ส่งถาดทองคำต่อกันไปเรียงไปเลยนะส่งให้คนนี้ส่งนี้คนว่า จนถึงคนสุดท้ายนี่แปดนสี่พันคนส่งไปอย่างนี้เลยนะโยมนะน่าตื่นเต้นไหมโยมส่งไปหูดูสิถาดทองคำแปดหมืสี่พันถาส่งไปทุกคนได้จับตื่นเต้นนะ่ะถาดเงินแปดหมสี 84, 000, ทท่พันถาส่งไปทุกคนได้จับหมดเลยถาดกหาปณะนะทําด้วยสัมฤทธิทท์ถาดถาสัมฤทธิเนี่ยบรรจุกหาปณะนะส่งไป ตื่นเต้นไหมโยมอยากมีโอกาสทำอย่างนั้นไหมต้องให้ทานประกอบด้วยปัญญานะเวลาเ า, าพาห์ให้อย่างนั้นก่อนให้ก็มี <c oughs> น้ำอยู่ในสุวรรณพิงคารนะที่หยาดน้ำนะ่ะนะที่หยาดน้ำทองคำก็หยาดไปแล้วก็อธิษฐานในใจว่า ถ้ามีบุคคลผู้รับที่เหมาะสมขอน้ำนี้จงซึมแผ่นดินไปนะเรียกว่าทักขินยะบุคคลที่เหมาะสมที่จะรับทานนี้เทลงไปน้ำไม่สามารถลงไปได้ขังอยู่ตรงนั้นแหละท่านก็ไม่เสียใจเห็น ไ, ไหมท่านไม่เสียใจว่าโอ้โหชมภูทวีปทั้งสิ้นไม่มีผู้รับทานที่เหมาะสมของเราเลย เอาละไม่เป็นไรเราจะทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นก็นแล้วกันในทายกก็คือผู้ให้ตัวเราเองเนี่แหละจะทําให้ฝ่ายทายกบริสุทธิ์นะจึงอธิษฐานแล้วก็เทน้ําลงไปน้ําก็ซึมแผ่นดินลงไปนะอันนี้คือให้ทานบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวเวลามะพร้ามเนี่ยไม่มีผู้รับศินเออไม่มีผู้รับทานที่มีศินเลยนะในสมัยนั้นท่านก็ให้กับคนผู้ผู้ผู้ทุศีล หรือผู้ไม่เหมาะสมที่จะรับนั่นแหละแต่ให้จำนวนมากท่านก็เลยบอกว่าทานที่เวลามะพามให้เนี่ยแม้ตลอดสิบสองปีเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเนี่ยนะให้อย่างนี้นะตลอดเจ็ดปีไม่ใช่ให้วันเดียวนะยตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันท่านบอกทานชนิดนี้ ยังมีผลไม่เท่ากับการให้วัตถุสิ่งของแก่พระผู้เห็นแจ้งในธรรมพูดถึงกระแสได้แก่พระโสดาบันท่านก็ไล่ลำดับไปทานที่ให้แก่พระโสดาบันร้อยคนไม่เท่ากับ การให้กับพระสกทาคามีหนึ่งคนก็ไล่ไปจนถึงทานที่ให้กับพระปัจเจกับพุทธเจ้าร้อยคนก็ยังไม่มีผลไม่เท่ากับการให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์การถวายวิหารทา น, นมีผลมากกว่าการถวายที่ผ่านมาการจเจริญ เมตตาปรมวิหารแม้เพียงสูตรสูตรของหอมหนึ่งครั้งการให้ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีผลไม่เท่ากับการเจริญเมตตาภาวนาแม้ชั่วการดมของหอมนั้นหนึ่งครั้งแต่ท่านก็บอกว่าจะต้องได้จะตุตะชานะ ในเมตตาพรมวิหารนั้นแต่ท่านก็บอกว่าการเจริญเมตตาพรมวิหารเท่ากับการสูดดอกไม้หนึ่งครั้งนั่นน่ะก <'ve> ็ยังไม่เท่ากับการเจริญอ น, นิจจสัญญาแม้เพียงชั่วไก่กระเพือปีกหรือแม้แตออ่อุปมาเหมือนการ น, น, ำ, นำน้ำนมโคหยอด ที่ตาหนึ่งครั้งยังมีผลมากกว่าอันนี้จะสัญญาในท่านหมายถึงวิปัสสนานะอันนี้จานุปัสสนาก็จะเป็นตามขั้นตามลำดับมาอย่างนี้นี่คือลักษณะของการให้ทานหรือจะการทำสังฆทานหรือการทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรก็แล้วแต่ต้องมีข้อมูลต้องทำความเข้าใจ ถึงจะทําน้อยก็ได้มากนะไม่ต้องพูดถึงทํามากทําน้อยก็ได้มากเพราะเรารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสิ่งที่ทำหนึ่งครั้งมันจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นี่เราคํานวณไม่หมดแล้วดังนั้นเลือกเกิดได้ไหมแบบนี้เราจะเลือกเกิดได้ไหมเลือกเกิดในชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนในพรมชั้นไหน ในอรูปภพมชั้นไหนหรือแม้แต่การจะปิดอบายภูมิทั้งสี่เนี่ยเราจะเลือกได้เลยน ะ, ะโยมจะถามเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าถวายสงนะฮะยังยังยังยังคล่องใจอยู่มากเลยแต่แต่โยมจะข อ, อะต่อข่าวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะที่ว่าท่านถามขึ้นมาว่านั่นนะฮะจะต่อข่าวว่าโยมก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยขนาดไหนหรอกนะคะ แต่โยมก็ถือเอาคำของพร ะ, ะ, พร ะ, พระเจ้าอยู่หัวะว่าพอเพียงนะฮะแล้วก็วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แบบอยู่แบบสมถานะนะคะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังขึ้นรุดเมีอยู่นะฮะคือ <c oughs> ว่าเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวคนไม่เข้าใจโอ้โหล่ำรวยขนาดไหนไม่ใช่นะฮะขอแก้ข่าวนิดขอเติมข่าวนะฮะเติมข่าวนิดหนึ่งนะฮะก็ อ, อยู่แบบ พระเจ้าอยู่หัวท่านแนะนำนะฮะนะะอันนี้ก็ขอถามว่าเรียนถามพระคุณเจ้าว่า เ, เรื่องถวายสงฆ์เนี่ยฮะที่ว่าเรื่อง ช, ช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งนะะั่นนะนะะอันนี้หมายถึงว่าคื อ, ค, อคือคงไม่ใช่ว่าเราใสา่บาตรอยู่ตามบนถนนหรือบนหน้าบ้านอะไรก็แล้วแต่เราเราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าทำได้หรือว่า ไม่ควรทำหรือหรือทำได้หมายถึงว่าคือใจโยมนะคิดอย่างนี้นะฮะใจโยมคิดว่าถ้าเราหวังผลประโยชน์มากคือการว่าเราใส่ไปแล้วเราก็บอกพระสงฆ์ท่านบอกว่า น, นี่ถวายสงแล้วเจ้าค่ะก็จะเป็นการลำบากต่อสง์ถ้าของนั้นไม่มากมายจริงใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ ตรงนี้ที่โยมข้องใจมากเลยเพราะว่าเวลายมจะใส่บาตรเนี่ยโยมจะได้ทำใจถูกถะก็ใช่ปกติโยมใส่บาตรธรรมดาเนี่ยค่ะจริงๆถึงโยมจะบอกว่าถวายสงฆ์แต่โดยพื้นในมันก็เป็นของของคนนั้นคนเดียวแหละไม่ต้องลำบากใจและเป็น<ะ>พวกของประเภทที่ว่า ไม่ไม่ฮ ะ, ะคือคือโยมโยมโยมคิดอย่างนี้นะฮะที่ที่ท่านบอกว่าช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราใส่บาทเนี่ยถ้าเรากล่าวกับสงฆ์ท่านว่าอันนี้เป็นของสงฆ์นะเจ้าคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอันนี้สงฆ์ท่านก็จะต้องไปแบ่งใช่ไหมฮะถูกไหมฮะที่เมื่อกี้ท่านพูดรู้ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดพระรู้หรือสมนเณีรู้ท่าน<ช>จะ นำไปไว้เป็นกองกลางแล้วก็สงก็จะแจกกันส่วนที่จมาอยู่ที่วัดหัดใหญ่สิตารามเนี่ยได้ของมาทุกอย่างเลยก็จะไปไว้รวมกั น, นเสร็จแล้วทุกวันพระแปดข้ามหรือ15บห้าข้ามก็จะมีการแจกก็จะจัดนะท่านท่านก็จะสมมุติพระภิกษุรูปหนึ่งในการดูแลของสงนั้น ก็จะนํามาจัดท่านก็จัดพาสมมาเนพาใครมาจัดเป็นกองกองกองกองไว้ตามจํานวนพระมีพระเป็นร้อยนะโยมนะก็มากองกองกองไว้ตามลำดับรรษาก็ประกาศชื่อว่าพระเถระรูปแรกเอไปลับพระเถระรูปสองไปรับช็อกโกแลตอันเดียวนั่นแหละแต่ไปรวมกันทีนี้เอาไปรวมกันนะโยนะที่โยมถามนี่ไม่ไม่ได้ประเด็นนั้นนะคะประเด็นนั้นก็คือว่า ถ้าเราเอาของไปในถวายที่วัดใช่ไหมะแล้วเราก็บอกว่าเป็นของสงท่านก็จะทำอย่างนั้นใช่ไหมฮ ะ, ะทําอย่างที่พระคุณเจ้าท่านพูดนะพูดอย่างนี้ค่ะอันนี้โยมถามในกรณีว่าโยมจะใส่บาตรเนี่ยโยมไม่ควรจะทำอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงถ้าพระไม่รู้จะเป็นของพระเนี่ยก็บอกพระไม่รู้อาตมาอบอกไว้แล้วว่าเวลาที่โยมใส่ โยมคิดในใจพระไม่รู้ถูกไหมเพราะโยมคิดในใจว่าโยมถวายสงโยมเนี่ยได้บุญในการถวายสงแต่พระไม่รู้ของนั้นจึงเป็นของพระแต่ถ้าพระเขารู้เพราะโยมบอกโยมถวายสิ่งนี้ไปเนี่ยถวายสงนะคะพระหรือสามเณรรู้เขาก็เลยไปรวมไว้เป็นกองกลาง นี่โยมเข้าใจหรือยังทานหรือยังคือคือเดี๋ยวโยมจะจะพูดตรงๆเลยนะฮะจะจะได้จะได้ตรงไปตรงมาจะมาพูดตรงๆเลยนี่โยมโยมฮะโยมพูดตรงฮะอ่าอ่าพอพอฟังท่านพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตที่เป็นของสงเนี่ยนะฮะว่าได้บุญมากใช่ไหมฮะซึ่งปกติเนี่ยอ่าอ่าใช้คำว่ายังมีอ่า ความโลภมันก็ยังเชิเๆใช่ไหมฮะว่าเออโรไใสบาตเนี่ยเราจะทำให้ให้ให้ให้ดีที่สุดให้อะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้อย่างที่ท่านพูดอะะคือหมายถึงว่าให้ของสะาดให้ของปรนณีตหาทำน้อยแต่ว่ามีผลมากอะไรในทานองนั้นนะคะและทีนี้พอีมาฟังเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยจิตโยมก็เอางั้นวันหลังเราใส่บาทแเราก็ทำเง้นได้สิ ทีนี้พอมาคิดอีกทีเอ๊ะท่านเราอย่างนั้นพระคุณเจ้าท่านจะลําบากใจไหมแต่ทางเราอะได้ดีแต่ทางพระคุณเจ้าท่านลําบากไหมเวลาใส่บาตรแล้วพูดถึงใส่บาตรอ๋ อ, อที่ท่านพูดบอกว่าพูดในใจนี่หมายถึงว่าเราพูดในใจก็ได้เหรอฮะหรือมันก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะถ้าพูดในใจค่ะเนี่ค่ะเวลาโยมอธิษฐานโยมอธิษฐานดังไหมไม่ค่ะต้องอธิษฐานในใจนั่นแหละ Oh. เพราะกลัวคนอื่นได้ยินว่าเราปาถนาะไรหวังอะไรดังนั้นเวลาที่เราเราใส่บาตร <Okay. S 2> บูพัาเจตนาของเราคิดไปเสร็จหมดแล้ว <Okay. S 2> ก่อนที่จะมาใส่บาตรเนี่ยธรรมาก็ให้มีศรัทธาสี่อย่างคือก ร, รมสัสศัทธาเชื่อก ร, รมวิปากศสัทธาเชื่อผงของกรรมกรรมสัสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน และตถาคตโพธิสัต ธ, ธาเชื่อมั่นในการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าแล้วจึงใส่บาตรอันนี้พระไม่รู้เลยว่าโยมคิดอะไรเพราะโยมเป็นคนอธิษฐานแต่ถ้าโยมบอกว่าอันนี้โยมถวายสงฆ์นะคะอ่าอย่างเงี้ยพระจึงเอาไปแจกแต่ถ้าเกิดโยมไม่ได้บอกไม่ได้คิดในใจแล้วก็ถวายอย่างเนี้ยเป็นของพระพระไม่ต้องนำไปแจก ประเด็นนี้ยงเข้าใจแล้วนะส่วนของน้อยของปานกลางของมากนั้นอนจะมายกของน้อยแล้วได้บุญมากแต่วิธีการถวายคือถ้ามีของน้อยให้น้อยถ้ามีปานกลางให้ปานกลางถ้ามีมากให้มากนี้ตามลำดับนี่เรียกว่าสังฆวิภาค้าคือการจำแนกแจกจ่ายแบ่งปันประกอบด้วยปัญญาอันนี้คือลักษณะของการให เออคือโยมของงงตรงนี้คําว่าถวายสงกับคําว่าสังฆทานคําว่าถวายสงเนี่ยเวลาโ ย, ยมบอกกํากับกับพระมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระจะต้องไปปฏิบัติอันนั้นไม่เกี่ยวกับบุญของโยมวินัยกรรมเออคือเรียกว่าวินัยกรยกรมแต่บุญที่โยมจะได้คือสิ่งที่โยมคิดอยู่ในใจแล้วลึกถึงสังฆคุณอันนั้นคือสังฆทานนั่นคือส่วนภาค ข, ของโยมที่โยมจะได้บุญแต่ถ้าโยมมากํากับออกมาคํานี้ คำว่าที่โยมบอกว่าให้ถวายสง์อันนี้ไม่เกี่ยวคําว่าเป็นสังฆทานไม่เกี่ยวกัน oh. ที่ให้ได้บุญมากคือเราเลึกถึงคนของอริยะสง์และพระพุทธเจ้า oh. อันนั้นคือเป็นสังฆทานที่โย ม, มิกในใจแต่ถ้าโยมพูดออกมาว่ากํากับว่าสิ่งนี้จะต้องบอกว่าถวายสงแล้วพระคนนั้นรู้วินัยกรรมสิ่งนั้นจะต้องมาแจกตามแบบของสงซึ่งโยมก็จะทําให้ถ้าเป็นของเล็กบางทีจะทําให้พระยุ่งยากได้ ใช่อ่านั่นแหละที่โยมจะถามคือ อ, นนอย่างนี้เนาะอันนี้แจมแจ้งแจมแจ้ ง, จงอ่าจ่ะอนี้นี้เวลาเราใส่บาตรเนี่ยฮะล้วก็ตึกว่าถวายแด่พระอิสอง์เจ้านี่ก็คืออั น, นคือสังฆทานใช่ไหมฮะอ่าถวายพระริยะสอ์มีพุทธเจ้าเป็นบรรมุกยมนึกถึงคุณของพุทธเจ้ า, จาจนึกถึงคุณของพระสงฆ์มีภาษารีบุตรเป็นต้นนั่นแหละคือสังฆทานไอบน้บุญที่ได้มากคือตรงนี้จะ่ะค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ขอบพระคุณเจ้ค่ะขอบพระคุณพระเจะ้าก็รู้สึกจะมีคำถามขอข อ, ขอไหม่ขอไหม่ทางนี้หน่อยจ้ะเอ่อก็คือโยมเขาถามว่าเวลาจะใส่บาทพระควรจะถวายปัจจัยลงไปในบาทหรือาย่ามไหมถ้าใส่ลงไปในบาทโดยตรงไม่ควรแต่ถ้าใส่ลงไปในย่ามถ้าย่ามนั้นเด็กวัดถืออยู่ ใส่ได้แต่ถ้ายามนั้นพระถืออยู่ใส่ไม่ได้เพราะว่าพระจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวถ้ารับเงินมาอย่างเช่นโยมใส่กับข้าวแล้วยอมยัดแบงค์ยีตรงมาด้วยแล้วยมผูกหูปาดกลง่ไว้เรียบร้อยแล้ ว, ลวพระดันมองไม่เห็นพระรับมาพระต้องโปรงอาบัติเลยออก็คือบุญโยมจะได้แต่ว่าจะเป็นบุญที่ไม่ประกอบด้วยความรู้และจะมีผลโดยอ้อมทาให้ มีคนชักชวนโยมให้โยอมเสียศีลได้เหมือนกันซึ่งศีลมันสําคัญกว่าฐานเนาะก็คือโดยทางปฏิบัติแล้วถ้ามีเด็กวัดด้วยถ้าโยมอยากถวายปัจจัยโยมก็บอกกับว่าคุณเจ้าคนนั้นว่าโยมจะถวายปัจจัยแล้วเด็กวัดถ้าเด็กวัดรู้งานเขาต้องถามขึ้นมานะแล้วยมก็บอกเขาว่าเด็กวัดก็ต้องถามว่าโยมจะให้เออจะใช้ปัจจะให้ปัจจัยไปทําเรื่องอะไรบ้างจะเป็น เป็นค่าอาหารหรือค่าไฟค่าน้ําหรืออะไรก็ได้ที่สมควรแก่สองก็คือถ้าโยมจะให้ตอนที่ใส่บาตรโยมควรจะให้กับเด็กวัดแต่ว่าโยมต้องประกาศต่อหน้าพระด้วยเพราะว่าถ้าเด็กวัดเขารู้งานกว่าโยมเขาดึงเงินไปเลยแล้วโยมไม่ได้พูดอะไรเงินนั้นตกเป็นของเด็กวัดทันทีพระไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรกับเด็กวัดได้เพราะโยมไม่ได้บอกต่อหน้าพระแล้วโยมก็ไม่ได้บอกพระเลยว่ามีอะไรให้เรียกร้องกับเอากับคนค น, คนนี้ ซึ่งเป็นวัยวัจกรแต่งตั้งพเพราะก็าเดินมาด้วยกันนึกออกไหมเอ่ยเออเข้าใจเนาะ ค, คือถ้าจะทำจากจะให้เงินก็ต้องทำแบบนี้หรือก็ไปทำที่วัดเพราะพระรับเงินโดยตรงไม่ได้พอรับมาปุ๊บเป็นนิสสกิยะเงินนั้นใช้ไม่ได้ก็ไปสละท่ามกลางหมู่สงฆ์มันก็ยมเทน้ำลงไปแล้วล่วงลงไปในทรายก็คือไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับพระคนนั้นแล้วพระคนนั้นก็จะเสียศียนด้วย เสริมในหนึ่งเรื่องของการถวายของเราต้องพูดให้ถูกด้วยนะโยมถ้าเกิดว่าโยมบอกว่าถวายดิฉันหรือกระผมขอถวายเงินอย่างนี้พระรับไม่ได้โดยประการทั้งปวงถึงเอาไปให้กับวัยยวัจกรไว้พระก็ใช้ไม่ได้ต้องบอกว่า ขอถวายคำว่าปัจใจนี่อย่าโยมอย่าไปมุ่งหมายถึงคําว่าเงินเด็ดขาดคําว่าปัใจัยหมายถึงปัจจัย่โยมขอถวายปัจใจสี่นะแต่ทุกวันนี้โยมมุ่งหมายถึงเงินนะคําว่าปัจจัยพระก็เลยต้องปฏิเสธโดยชื่นเชิงนะโยมต้องบอกว่าดิฉันหรือกระผมข อ, อประวัลนาปัจใจสี่เป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดในปัจจัยสี่พระคุณเจ้าก็เรียกร้องจากวิยาวจกรอันนี้จึงจะใช้ได้แต่ถ้าบอกว่าขอถวายเงินแด่เพื่อพระคุณเจ้าจะไปใช้ได้ทางความปรารถนาอย่างนี้ไม่ได้เลยโดยประการทั้งปวงพระก็จะใช้ไม่ได้ไปเรียกร้องก็ไม่ได้อย่างนี้นะโยมนะก็คือวาาัวาหานวัวหามีผลกับพระ เพราะว่าคาว่าปัจัยเป็นเป็นอริยะโวหารอริยะโวหาร น, นะก็นิโยมอีกคนหนึ่งจะถามเนาะขออนุญาตพระคุณเจ้านะครับสุดแต่จะวินิจฉัยต่อไปนะครับก็คือกรณีสังคทานเมื่อกี้นี้ก็คือจะมองว่ากรณีที่ว่าภิกษุหรือว่าสมมาเนนที่กล่าวว่าอันควรรู้หรือว่าถ้าท่านรู้ ฉะนั้นถ้าเราจะว่าเป็นกิจลักษณะที่เป็นรูปแบบสากลอันนี้ที่ผมมองคำว่าสังคทานเนี่ยหนึ่งอย่างเช่นว่าของเราเนี่ยมีทั้งมหานิกายและก็ธรรมยุทธ์อันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคำว่ารูปแบบกิจลักษณะที่เป็นสากลถ้าเราจะว่าสังคทานเนี่ยก็จะกล่าวว่าเป็นทางตรงและก็ทางอ้อมทางตรงก็หมายความว่าถ้าภิกษุสี่รูปขึ้นไปเราจะเรียกว่าสังฆะ ถ้ากรณีเช่นนี้ถ้าสมรูปลงมาเราเรียกว่าคณะถ้าอย่างนี้เรียกว่าทางตรงผู้ที่จะถวายสังฆท า, านก็จะมีคากล่าวที่ชัดเจนก็เป็นกิจลักษณะผู้ที่มีเจตนาก็จะสามารถที่จะแสดงเจตนาและผู้รับก็รู้ได้ถึงเจตนาฉะนั้นตอนนี้เข้าใจว่าเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนทางอ้อมนั้นก็คือต้องอาศัยผู้ที่รู้จึงจะไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามนั้นขอสงวนเพียงแค่นี้ครับ ในในทางการถวายทานเนี่ยท่านท่านแบ่งแบ่งไว้ที่จตมาว่าเนี่ยก็คือแม้แต่ส่งบุคคลมาหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นสัมมเนรหรือเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งในนั้นก็ตามมารับนะแล้วโยมก็ถวายบอกว่าถวายส่งนะ แม้รูปเดียวนั้นก็เป็นสังฆทานแม่รูปเดียวแต่คาว่าสงก็คือสงสี่รูปนั่นแหละคาว่าสงคือสงสี่รูปเวลาสงเนี่ยจะทำสังฆกรรมนะมีการสวดด้วยกรรมวาจาจะต้องมีสงตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนะแต่เวลารับทานไม่จำเป็นต้องมาถึงสี่รูปเนีย่ยต้องแยกประเด็นนะยมต้องแยกประเด็นว่า โยมจะกล่าวกับบุคคลคนเดียวนั้นนะ่ะว่าเป็นอิมานีสังฆทานานิอะไรก็แล้วแต่ก็ยังได้นะแม้แต่อยู่รูปเดียวอยู่รูปเดียวก็ยังเป็นสังฆทานหรือพระเดินบินทบาตมาเนี่ยโยมบอกกับพระเลยขอถวายสังฆทานนะครับนะคะพระเข้าใจท่านก็จะไปแจกกันนาไปแจกกันที่วัดตามลำดับภรษา รูปเดียวนั่นแหละเป็นสังฆทานในการให้ทานของโยมแต่เรื่องทรรมสังฆกรรมทำ เ, เกี่ยวกับการบวชกับการเข้าปริวาสปวารณาออกพรรษาอันนี้ต้องใช้สงสีรูปขึ้นไปนาการบวชก็ห้ารูปถ้าบวชในอินเดีย หรือในประเทศสีรังกาในมัชชิมชนบทต้องสิบรูปบ้านเราห้ารูปก็บวชได้แล้วนะแต่กลัวท่านไม่มั่นใจเลยนิมนต์ไปย5ส้ารูปก็เลยจะบริสุทธิ์หน่อยนะโยมต้องต้องแยกออกการให้ทานบุคคลคนหนึ่งที่สงส่งมามารับโยมกล่าวเป็นสังฆทานได้นะ ตามแบบแผนนั้นตามแบบแผนที่โยมจะกล่าวถวายสังฆทานรูปเดียวก็ได้แต่ถ้าทำสังฆกรรมของพระต้องใช้สี่รูปขึ้นไปโยมชัดเจนนะโยมชัดเจนน ะ, ะกระผมคิดว่าชัดเจนแต่ว่าเราพูดถึงลักษณะของสากลทั้งประเทศเราไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัดท่าน เราหมายถึงวความเข้าใจอันนี้<ใ>จะมาไม่ได้พูดถึงวัดนะไม่ได้พูดถึงวัดนนแต่ความเ<น>ข้าใจที่เป็นสากลก็คือหมายความว่าถ้าญาติโยมเนี่ยนิมนต์พระมาทําบุญบ้านก็สมมติว่าฮาลูปแล้วถ้าเกิดโยมมีความประสงค์ว่าอ่ะพอดีแล้วครบอ ง, งค์สูงงั้นถวายอาหารพัฒนาาหารเนี่ยยกเป็นสังฆทานแล้วกล่าวเป็นสังฆทานนั้นก็จึงจะสําเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่านิมนต์มาองค<ม>์เดียว แล้วทำอุลบ้านองค์เดียวแล้วบอกว่าขอกล่าสถวายสังฆทานอันนี้จะว่าไรฉะนั้นเนี่ยเราจึงยึดถือรูปแบบที่เป็นสากลก็คือว่าให้เจตนาทั้งผู้ให้และผู้รับได้เกิดความชัดเจนว่าอย่างเช่นว่าพระบิณฑบาตมาถ้าเรานิ ม, มนต์ครบองค์สี่รูปเราก็เชิญแล้วก็นิ ม, มนต์ท่านเพื่อบอกว่าจะรับการถวายสังฆทาน อันนี้จะปฏิบัติที่ไหนก็ได้มันเกิดความชัดเจนไม่ต้องอาศัยความรู้หรือวัดใดวัดหนึ่งหรือว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธ์ฉะนั้นเนี่ยรูปแบบนี้เวลาโยมที่จะถวายก็จะเกิดเจตนาที่เป็นเจตนาทานที่สุจริตแล้วก็สบายใจว่าเจตนานั้นถึงพร้อมยั่งประโยชน์ให้ถึงพร้อมและก็บริบูรณ์พร้อมไม่ต้องตะกิ้ตะขวงใจว่าจะเกิดข้อขัดข้องใจประการใดขอสงวนในแค่นี้ครับ ในคำสอนขององค์เสียมเดชพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนั่นคือสากลนะส่วนในความคิดเห็นของแต่ละบุคคล น, นั้นนั่นก็เป็นความคิดเห็นเขาเรียกว่าอาทิตถิคือความเห็นนะส่วนใครจะคิดเห็นอย่างไรนั้นก็แล้วแต่บุคคลอันนี้โยมต้องวางใจอย่างนี้นะว่ามันแล้วแต่บุคคลจะจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเนี่ยไม่เป็นประมาณถ้าความคิดเห็นของเขาตรงกัน เขาก็ไปประชุมกันได้เขาก็ไปประท้วงได้เขาก็ไปทำนู่นทำนี่ได้แล้วแต่อันนี้นคือความคิดเห็นเขตรงกันแต่ความคิดเห็นของคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือสากลไม่ใช่เฉพาะประเทศนี้แต่สากลทั่วสากลจักรวาลดังนั้นจะใช้เป็นรูปแบบสากลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในสัตว์นรกในเปรตในสุรกายใ น, นเดชาล ในเทวาดาในพระมก็จะมีความคิดเห็นจะต้องใช้รูปแบบเดียวกันเช่นภาษาภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยจะใช้ได้เป็นสากลดังนั้นคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะใช้เป็นสากลกับพุทธบริษัททั้งหมดพุทธบริษัททั้งหมดนะดังนั้น รูปแบบห ร, หรือความคิดเห็นของใครจะแตกต่างไปนั้นใครจะเรียนรู้มาแบบไหนนั้นจะสืบต่อมาจากครูบาอาจารย์หรือจากไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ตรงกับคำสอนก็ชื่อว่ายังเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงดังนั้นนี่แหละเราจึงต้องมาปรับนะเราจึงต้องมาปรับความคิดเห็นให้ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเป็นเป็นแนวทางที่จะมุ่งตรงไปถูกความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ถึงจะตรงส่วนความคิดเห็นของแต่ละบุคคลนั้นเปลี่ยนไม่ได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังเปลี่ยนครูทั้ง6ไม่ได้เพราะว่าเขายึดไปแล้วนะถ้าถึงความเห็นที่ผิดสามประการนะทิฏฐิพิเศษสาประการเมื่อไหร่เนี่ย เขาไม่เชื่อกรรมซะแล้วเขาไม่เชื่อผลของกรรมซะแล้วเขาไม่เชื่อทั้งเหตุทั้งผลซะแล้วเนี่ยยางนี้เปลี่ยนไม่ได้ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล น, นั้นเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นถ้าบุคคลต้องการจะพัฒนาตัวเองทำศีลให้บริบูรณนะ์ก็ให้ทานแบบสังฆทานจะมีมารูปเดียวเราก็คิดเป็นสังฆทานอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้นะว่า แม้จะให้รูปเดียวแต่เจาะจงที่จะถวายสงฆ์แล้วก็บอกความประสงค์ของเราให้พระนั้นเข้าใจพระก็จะนำไปจัดการตามวิในกรรมส่วนเรื่องการนิมนต์เรานิมนต์รูปเดียวสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปหรือเก้ารูปเนี่ยไม่ได้เป็นประมาณมันอยู่ที่กำลังของเรากำลังที่จะ นิมนต์นะนิมนต์รูปเดียวแล้วเพราะเรามีกําลังแค่รูปเดียวก็ได้ในสมัยก่อนเนี่ยคนยากจนนะเขาทํางานเนี่ยเก็บเงินมาสามปีทํางานอย่างหนักเลยคนยากจนเนี่ยอดมือกินมื้อก็ช่างเขาเก็บเงินมาสามปีเนี่ยแล้วเขาก็นิมนต์พระได้รูปเดียวเขาก็ทําอาหารจัดการอย่างดีเลย บางอย่างต้องไปเก็บเอ า, าเก็บผักปุ้งเก็บผักอะไรก็แล้วแต่ผักตําลึงเก็บมาผัดมาทําเงินที่เก็บมาสามปีก็นํามาถวายพระได้รูปเดียวแต่เวลาถวายเนี่ยท่านถวายเจาะจงสง์เลยเจาะจงสงเลยนะและมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยท่านก็ให้ไปพระก็บอกแค่ครึ่งเดียวเพระรู้ฐานะของโยมไง โยมก็เลยบอกว่าอยาอนุเคราะห์กับผมแค่ชาตินี้เลยขอให้ช่วยอนุเคราะห์ในชาติต่อๆไปด้วยเถิดก็เลยใส่ทั้งหมดพระก็เลยรับทั้งหมดเพราะพระก็รู้แล้วก็พระก็เอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดพอบุรุษคนนี้เนี่ยไปทำงาน ไปทำงานทรัพสมบัติเกิดขึ้นได้เป็นเศรษฐีในภายในวันนั้นเพราะให้กับบุคคลผู้รับที่เหมาะสมพอดีเป็นมหาเศรษฐีในวันนั้นเลยนี่เขาคิดถูกเขาคิดถูกเพราะเขายากจนมาเาเข้าใจว่า ถ้าเกิดเราไม่ถวายที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมาได้นะนนนเราต้องถวายอย่างยิ่งใหญ่เพราะเขาเข้าใจเขาไม่ได้ถวายเจาะจงแค่บุคคลเท่านั้นอย่างนี้โยมพอเห็นไหมว่ามันได้บุญมากจริงๆถ้าถวายแบบนี้แม้แต่รูปเดียวก็เถอะแต่เราให้กับสงฆ์เพราะพุทธเจ้ายังไร่ลำดับเลยว่าขนาดให้กับพ ร, ระเจากับพระพุทธเจ้าร้อยองค์ ยังมีผลไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ายังยกย่องสงนะบอกว่าถ้าเกิดให้กับสง์ก็ยังมีผลมากกว่าที่ไล่ลําดับมาเนี่ยร้อยคนร้อยคนร้อยคนที่ผ่านมาเนี่ยหรือมากกว่าเวลามะพ ร, ร้ามเห็นไหมยิ่งใหญ่ไหมเวลามะพ ร, ร้ามให้อะ่ะยิ่งใหญ่ไหมโยง เวลาม า, าพามให้มาตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็ยังไม่สู้กับการถวายกับสงฆ์ถวายกับสงฆ์พระองค์ก็ยังแยกซอยไปอีกว่าสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์เฉพาะสงฆ์นะแล้วก็บุคคลผู้สงฆ์ส่งมานี่ยังซอยให้ไปอีกนะอนุค้์ขนาดนั้นว่า สงส่งมาแม้แต่เป็นสัมมนเนนเห็นไหมแม้แต่เป็นสัมมนเนนที่สงส่งมาเพื่อรับของไปแล้วไปแจกให้สงเนี่ยก็ยังมีผลนับประมาณไม่ได้ก็คือเท่ากับการถวายสงดังนั้นผู้ที่ผู้ที่นิมนต์พระแต่ได้สัมมนเนนก็อย่าเสียใจแม้จะมารูปเดียวก็อย่าเสียใจนิมนต์เลกลารูปได้หนึ่งรูปก็อย่าเสียใจ เพราะเรามีความยำเกรงในสงยงเข้าใจตรงนี้นะมีความยำเกรงในสงแม้แต่พิกสู่ผู้ทุศีลมาทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้แต่เราก็เจาะจงสงเพราะเรามีความเคารพมีความยำเกรงในสงจะบินธบารูปเดียวเราก็ถวายสังฆทานเรียกว่าสวายเจาะจงกับสง ไม่มีรูปแบบการเปร่งวาจาอะไรเลยคิดอยู่ในใจนไม่มีอิมาน้สังฆทานานิก็ยังได้ผลนับประมาณไม่ได้เพราะเรามีความยำเกรงในสงส่วนที่ที่บอกว่าโยมจะมีความสบายใจว่านิมนต์สี่รูปแล้วจะเป็นสงเนี่ยโยมก็ ปรับทัศนคติว่าพระพุทธเจ้า อ, อนุญาตให้ในในทำพิธีอะไรก็แล้วแต่มีการถวายส่วนใหญ่ก็มีการถวายนั่นแหละถวายสังฆทานถวายของนั่นแหละแม้แต่รูปเดียวโยมก็สามารถที่จะคิดได้อันนี้คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีบุญน้อยมีทรัพย์น้อยเป็นคนยากจนเป็นคนทุกขตาเนี่ยได้มีโอกาสได้ทําบุญไม่งั้นคนร่ํารวยก็จะได้ทําอย่างเดียวใช่ไหมโยม คนที่ยากจนก็ไม่มีโอกาสได้ทําเพราะมีโอกาสจะนิมนต์พระถึงเก้ารูปไม่ยอมเพราะโอยังอดมือ้อกินมื้ออยู่เลยอะ่ะยังทํางานก็ได้เงินไม่เท่าไหร่แต่ถ้านิมนต์พระมาเก้ารูปเนี่ยจะพอไหมก็ต้องไปหยิบยืมเหมือนสมัยนี้แหละนะมีเงินไม่เท่าไหร่แต่ต้องไปกู้เขามาบวชลูกบวชหลานเนี่ยหมดไปห้าแสนหกแสนนะบวชครั้งหนึ่งนะ่ยโยม แต่ถ้าเกิดเราบวชตามประเพณีของพระพุทธเจ้าอนุญาตจริงๆไม่ต้องเสียเงินถ้าบวชตามประเพณีพระที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้จริงๆไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่มาอยู่กับวัดตามความ ด, ดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์เห็นเหมาะสมแล้วก็จะบวชให้เพราะอุปชาก็มีอยู่แล้วคู่สวดก็มีอยู่แล้วอะไรก็มีพร้อมหมดพระนั่งอันดับมีหมดไม่ต้อง เสียเงินสักบาทเดียวจะยกตัวอย่างอาตมาดีไหมเนี่ยอาตมาบวชไม่มีเงินสักบาทเดียวแต่พ่อบุญแทๆ้ๆมีคนข้างวัดเขาก็บวช ด, ด้วยเขาหมดเงินไปเจ็ดแสนบวชคู่กับอาตมาซึ่งไม่ได้เสียสักบาทเนยนะบวชคู่กันแล้วก็เป็นนาคสองสองสองสอ ง, สองรูป สองคนที่ได้บวชเนี่ยนะลองคิดดูมันต่างกันไมโยมว่าคนหนึ่งเสียเจ็ดแสนบวชสิบห้าวันอาตมาไม่เสียสักบาทแต่บวชมาสิบสองปีอันไหนจะ <c oughs> อันไหนจะคุ้มค่ากว่าโยมหมดเจ็ดแสนบวชสิบห้าวันแล้วของทุกอย่างต้องเป็นของอาตมาหมดอะ่ะที่เขาสึกไปอะ่ะ <c oughs> เพราะเขาเอาไปได้ไมโยม คาใจกีวร อ, อย่างดีบวชใส่ได้สิบห้าวันบาตอย่างดีใหม่ๆเครื่องอัฐบริขารทั้งหมดก็ต้องตกมากับเพื่อนถูกไหมแล้วที่ในงานนั้นน่ะแทนที่คนคนที่จะเป็นเจ้าของงานควรจะเป็นเขาเขาไม่กล้าพูดอีกก็ให้อตมาพูดอตมาก็พูดมั่วๆไปก็เลยเขาก็เลยนึกว่าเป็นเจ้าของงาน ดูสิไม่เสียเงินซักบาทบวญเนี่ยนี่แหละคือถ้าเราทำด้วยความเข้าใจเนี่ยไม่จาเป็นด้วยต้องต้องไปทำตามค่านิยมของทางสังคมเขาเราก็ทำด้วยปัญญาแล้วได้ปัญญาเยอะด้วยนะไม่ต้องเสียเงินมากแต่ถ้าเสียเงินมากควรจะได้บุญมากไหม หมดเงินไปเจ็ดแสนควรจะได้บุญอย่างมากไหมอย่างมากมหาศาลทำให้ถูกสิใช่ไหมห อ, อันนี้ทั้งค่าสัตว์มาทั้งไปจ้างดนตรีมาเหล้าไม่รู้กี่ขวดเห็นไหมเนี่ยการบวชในสิบห้าวันนั้นแทนที่จะได้บุญมหาศาลกับคนที่เป็นเจ้าภาพก็ ได้ส่งเสริมการทำบาปอกุศลนะแต่จะมาพอบวชมาได้เรียนรู้ได้เข้าใจกลับไปบอกกลับได้บุญมากได้สอนิสงมากเนี่ยทั้งๆทีท่หมดเวลาซะแล้วยมอมกระผมหาไม่ได้ว่าจะเห็นว่าสังฆทานมันไร้ผลหรือว่าไม่มีผลในการที่จะถวาย รูปเดียวแล้วน้อมนึกถึงหมู่สงฆ์อันนี้ไม่ได้ขัดข้องเพียงแต่พูดประเด็นว่าเสริมการถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกิจลักษณะซึ่งเป็นทางตรงก็คือว่าเป็นผลโดยตรง <c oughs> ก็จะเห็นผลทันทีแต่ถ้าเกิดว่ากรณีนั้นก็จะเป็นผลโดยอ้อม อย่างเช่นว่าตกถึงสามเณรสามเณรก็ต้องนำถวายหมู่สง์อันนี้เขาเรียกว่าผลโดยอ้อมฉะ น, นั้นผลโดยตรงที่หมายถึงคือประเด็นนี้ที่ว่าเสริมมิได้ขัดแยง้งหรือว่ามิเห็นด้วยว่าการทำนั้นไม่เป็นสังฆทานหรือเป็นบุญแต่เพียงแต่ว่าเป็นกิจลักษณะที่เป็นสากลและใช้โดยทั่วไปและคํากล่าวก็เป็นกิจลักษณะซึ่งแสดงความชัดเจนหมู่สงก็รับสาธุการว่า เห็นชอบดีแล้วที่ว่าถวายแด่มูทสงฉะนั้นหากว่าเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นความเข้าใจทั้งผู้ให้และผู้รับโดยเฉพาะผู้รับก็จะเข้าใจผู้ให้ก็เข้าใจว่าเจตนานั้นเป็นเช่นนี้การอธิษฐานเกิดขึ้นแล้วก็สาเร็จด้วยมโนอยู่แล้วแต่ว่าที่กล่าวนี้เป็นเพียงรูปแบบกิจลักษณะซึ่งเป็นสากลและเป็นทางตรงที่ชัดเจนเท่านั้นเอง ขอสงวนกันนี่ครับก็พอดีตอนนี้บ่ายสามแล้วแต่เดี๋ยวมีคําถามมันหนึ่งค้งตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวจะเลยไป2วันนะก็ขอเลยสักสินาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเข้ามาบ่าย3ามคึ่งก็คือของคนเมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าการที่เราทําอะไรเหมือนเดิมจะทําให้เกิดความชินคือความเคยชินซึ่งหมายความว่ายึดติดซึ่งเป็นที่มาของกิเลสและซึ่งถ้าเราตั้งใจที่ทําอะไร อ่างกันไปทุกๆครั้งนั่นก็ทำให้เรายึดติดกับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเท่ากับว่าเราก็เกิดกิเลสอยู่ดีด้วยเหตุนี้เราควรทำอย่างไรดีครับแล้วถ้าความคิดเป็นกิเลสเราเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นแทนกิเลสจะหายไหมคือถ้าไอทำอะไรเหมือนเดิมๆแล้วเกิดความเคยชินถ้าสิ่งนั้นเป็นกุศลก็ถูกแล้วดีแล้วแต่ถ้ามันเป็นอกุศลจาก จากตันหามันก็กลายเป็นอุ ป, ปาทานเป็นความยึดแล้วถ้าเราเปลี่ยนแน่ว่าแบบจะขอเปลี่ยนทุกๆครั้งเลยจะเป็นยังไงก็อีกเหมือนเดิมแหละว่าเปลี่ยนะเปลี่ยนด้วยความเข้าใจไหยเปลี่ยนให้มันเป็นกุศลหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเป็นตันหายกตัวอย่างถ้าเราทำบุญอะซื้อเลมาถ้าเอาเลรถมันฝรั่งธรรมดาเปลี่ยนมั่งกลัวพระเบือ่อ เอออันนี้ก็เป็นกุศลเป็นสามมถประทานจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไม่มีใครว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าทำอะไรที่เปลี่ยนทุกๆกครั้งก็ฟังเพลงเหมือนเดิมฟังแต่กุศลเปลี่ยนเพลงฟังไปเรื่อยๆยมันก็เป็นอกุศลอยู่ดีจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วถ้าความคิดมันเป็นกิเลสเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นแทนกิเลสจะหายไหมถ้ายมผู้นี้ถามขนาดนี้จริงๆ ก็ที่เมื่อวานบอกคือควรจะเล่ามาคุยเป็นการสนทนั ว, ว่าคิดอะไรยังไงอยู่มันเหมือนกับว่ามันมันงงมันงงอยู่เพราะว่าได้รับรูปแบบอะไรบ า, บางอย่างซึ่งไม่มีคำตอบแล้วมันอยากจะหาทางออกถ้าความคิดเป็นกิเลสเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นคือก็ไม่รู้อยู่ดีว่าถ้ายมไม่มาเล่าให้ฟังคือทุกข์มันเกิดตรงไหนไม่รู้สาเหตุของทุกข์เปลี่ยนก็ ควรจะเล่าให้ผู้รู้ฟังแล้วให้แล้วก็ฟังคําแนะนําเขาว่าไอ้ควรจะเปลี่ยน่ะเปลี่ยนไปยังไง เ, เพราะเปลี่ยนแล้วก็มีดีขึ้นเสมอตัวแย่ลงได้เหมือนกันนะก็ถ้าของคนนี้ก็ขอตอบคร่าวๆอย่างนี้เนาะก็พอดีไม่รู้ว่ามีอันนี้ตอบไปหรือยังเอ่ยฟังธรรมบรรยายแล้วก็ดูลมเข้าออกไปด้วยเป็นบุญเราทั้งสองอย่างจะเป็นโลภะหรือเปล่าต่อไปแล้วนะ อันนี้อันสุดท้ายแล้วกันแล้วก็การใส่บาดพระแล้วพระรูปนั้นให้พรโดยยมนั่งยองๆกับพื้นเหมาะสมหรือไม่และสมัยพุทธองค์ท่านตัดไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สมัยพูทองค์ตัดอย่างไรเดี๋ยวถ้า ท, ท่านพมหามน่าจะเสริมแต่ว่าการให้พรเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยเออเรามีความนิยมนั่งยองๆเพราะว่า เรารู้สึกว่าเป็นการเคารพอะ่ะไม่อยากไปยืนเสมอกับพระแต่ความจริงตามวินัยเนี่ยการแสดงธรรมแล้วถ้าพระยืนอยู่โยมนั่งในสมัยนั้นเขาเรียกว่าไม่เคารพเพราะพระอยู่ในกิริยาที่ลําบากกว่าโยมแต่โยมนั่งโยมสบายกว่าเออแต่สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วและถ้า พระพูดภาษาบาลีออกไปตอนที่รู้พระรู้ตัวแล้วพระยืนอยู่แล้วยมยมนั่งพระจะเป็นอาบัติแต่ถ้าพระนั่งอยู่ยมจะนั่งหรือยมจะยืนก็ได้เหมือนตอนเนี้ยมเมื่อยมก็ยืนฟังได้ไม่เรียกว่าไม่เคารพแต่ว่าพอดีประเทศไทยว่าจะไม่นิยมกันแล้วก็การนั่งยองๆบางทีก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือผู้หญิงอะละมันแต่งตัวไม่มิดชิดอะ่ะ ออพระต้องคอยหลบแทนไงเข้าใจนะว่ามันคืออะไรออก็ถามว่าถ้ายืนยืนได้ก็ดีออถ้ายืนยืนได้ก็ดีแต่ถ้าฝืนใจมากจะนั่งก็ได้พระก็จะให้พรเป็นภาษาไทยแทนก็ไม่อาบัตอะไรนะก็ตอบอย่างนี้ก็เคลียร์เนาะในสิกขาบทนะที่พระรักษาอยู่ก็มีข้อหนึ่งบอกว่าพระ พระธรรมก็ถือที่แสดงธรรมต้องแสดงในอริยบทเสมอเท่านั้นจึงไม่ไม่เกิดปัญหาถ้าแสดงกับคนที่นั่งหรือนอนจะมีปัญหาถ้าตัวเองยืนต้องแสดงธรรมกับคนที่ยืนถ้าตัวเองนั่งต้องแสดงธรรมกับคนที่นั่งถ้าตัวเองนอนมีไหมโยงพระป่วยแต่โยมลูกศิษย์ก็ยังมาหาอยู่ก็ยังแสดงธรรมอยู่ พระนอนคนที่ฟังธรรมต้องนอนด้วยแต่ว่าเวลาพระไปแสดงธรรมในอิริยาบถ ท, ที่ไม่เสมอเช่นกันแต่พระนั่งโยมนอนอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะโยมป่วยอันนี้ถ้าอิริยาบถไม่เสมอจะเป็นอาบัติแก่พระจะเป็นอาบัติแก่พระดังนั้น แสดงความเคารพแสดงความเคารพก็เลยพระกกเลยให้ยมยืนนะลักษณะของการแสดงธรรมจะต้องขึ้นด้วยพระพุทธพจน์เช่นอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายิยโนจัตตารโธรมาวทันติอายุธมอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยนะอันนี้เป็นพระพุทธพจน์เวลาที่พระกล่าว ชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมเมื่อมีการแสดงธรรมถ้าโยมนั่งพระยืนอยู่ให้พอรอเป็นอบัตเป็นพิศีลพระในนั้นเพื่อเพื่อป้องกันตัวเองพระก็เลยให้โยมยืนแต่ถ้าเกิดโยมยังยังยืนยันบอกว่าฉันนั่งฉันคารบค่ะพระก็จะเปลี่ยนวิธีการให้พรด้วยการให้ภาษาไทย หรือไม่ก็ให้พระบาลีแต่ไม่เป็นพุทธพจน์พระก็จะสังเกตว่าบางคนก็ให้ภาษาไทยบางคนก็ให้ยังอื่ น, นในสมัยที่อาตมาเรียนอยู่อาตมาก็ให้เป็นวยากนเลยวยาก์เนี่ยจะเป็นสูตรที่เรียนเรียนเกี่ยวกับภาษาจะให้แบบนั้นเลยโยมไม่รู้เรื่องโยมไม่รู้เรื่องแต่ในนั้นก็มีเกี่ยวกับ การทาตัวรูปเกี่ยวกับวยาก์เพื่อที่จะหาศัพ์แต่ละศัพ์นั้นมาเป็นบทสำเร็จโยมก็ชื่นใจว่าพระได้ให้พอแล้วได้ได้ได้ธรรมะแ่โยมให้ได้ได้โยมได้รับธรรมะแล้วอันนี้เพื่อป้องกันตัวเองนะเพราะว่าถ้าผิดศีลเราก็จเจริญสมาธิไม่ขึ้นดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ถ้าเกิดโยมไม่ยืนพระก็ต้องเปลี่ยนบทแต่ถ้าเกิดโยมยืนพระก็ให้นะพระบาลีถึงเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นะบางทีท่านแปลให้ด้วยก็ยิ่งดนะีเราจะได้เข้าใจอันนี้คือลักษณะของที่โยมทำความเคารพก็ต้องมีปัญญาด้วยนะไม่ใช่ทาเป็นประเพณีก็จะทำให้เร า, เามีโมหะปกปิด ก็จะทำให้เราพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อออกจากวัตจกรทุกข์ไม่ได้นะวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะโยมมาอุทิศ ส, ส่วนบุญด้วยกันนะเราได้ทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว